ดินใช่แต่นะเนี่ยที่ว่าทิศตกดินใช่ไหมทิศคือหนึ่งใช่ไหะดาวดาวอาทิตย์ดาวตกอาทิตย์ตกดินเนี่ยอันนี้กลางคืนกลางวันอาทิตย์ขึ้นะขียนนี่มันซ้อนกันเราเขียนกลางวานาันกลางคืนแล้วก็ดาวจุดหมายบนตัวโลซ้อนกันไปเรามาดูอะไรที่คงเดิมแตที่อาจารย์พูดไปนี้เมื่อสักครู่นะคือฟุ่น คือความอยากได้อย่างนี้ยากเป็นกิเลสตัณหาราคะความต้องการอยู่ที่คิดอะไรคิดจะวันออกขิงข้าวนะอันนี้ต้องเป๊เพราะว่ามันเป็นทิศประจำหมัดตั้งวันกันคืนเห็นเราเห็นตัวเลขเปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่ากั้งวันและกานคืนอยู่ตรงไหนอามมาดูผู้มิตรนั้นจดไว้จดไวจดไ้จดเป็นคํากรไว้ก่อนแล้วก็จะมาอธิบายด้วยความอาจจดเลยอาทิตย์ เขียนอาทิตย์เป็นมิตรตรับครูอาิตเป็นมิตรกับครูนะถ้าเป็นตัวเลขนะแล้วก็เขียนต้อกลับอย่างอาทิตย์เป็นไม่กับครูคืออาทิตย์คือหนึ่งครูคือพุทธหัสหรือห้านะการชมตรูพุทธลงยาวเขียนเป็นคำก่อนนะดันคือน้ํานะคือเรืการชมตรูพุทธคือดินอสมตรูดาวนะ ี่คือดินดินเหนียวดินที่ปั้นได้ไว้หรือภาชนะที่อาใส่น้ำได้น้ำอยู่ในภานชนะนั้นกันน้ำต้องมีที่อยู่เตยอย่างไรก็อยังอยู่ในโลกไม่ชอกหลือหายไป<ะ>สองปฏิสิท์การสะพุดอันนี้คือพุทธนะการชมตรูพุทธลงยาวสุกนะสุกก็คือเลขอะไรปากหวานอังคารคือเลขสุขปากหวานอังคารรับเอา อันี้เป็นคู่มิตรนะฮอันนี้เขียนไว้คู่มิตรแบบสุภาสามสุตรสาอาจางอัทิตย์เป็นมิตรกับครูอาทิตย์กัคหรหัสก็คือหนึ่งกับห้านั่นแหละจันชงตูพุทธนงเยาวสุปปาวาสคาบเอาเตากลาหูเป็นเพื่อนกันเสาคือเจ็ดนะาหูคือแปดเตากะลาหูเป็นเพื่อนกันอัน มาดัดคู่มิดอันะไรเพศเลขคู่มิดหรือหาปูตะอลูกคู่ธาตุนะได้เหมือกันอ่าจดไปอีกอ่ะเสร็จแล้วสาวปลาหุ่เพื่อนกันเลยสาวปลาหมูสาวคือเจ็ดปลาหมูคือแปดเป็นเพื่อนกันเจ็ดอะไรชอบเมาสามหัวคือเมามมงเมาอยู่แล้วถ้าพูดถึงก็คือเล่านะสาคืออะไรผู้ใช้แรงงานเที่มาที่เราเรียนไปนะสังเกต ทำงานมันหนักไปเหนื่อ ย, ยเยนมาคี่เล่ากันละเนี่ยอันนี้เป็นมันเป็นของคู่กันอ่าต่อไป อ, อคู่ศัตรูตู่ก อ, อาทิตย์าตย์เหมือกันอาทิตย์อ่าดูนะอาทิตย์คิดอังคารอาทิตย์อา่อ า, อ า, อาเดี๋ยวจะอธิบายฟังที่หลังนะจบไปก่อนนะอีธานพุทธอันตภานปัตลาหู ประานกวาดระหูก็บเขียนกับสี่กับแปดศั์เสาเกณฑตรูนะหกกับเจ็ดเสาเป็นเนส้นศั 7, นะจันกับครูจันนะจันกับครูครูอืิเลขหเป็ น, ปนอริต่อกันอ่านะ <5. S 2> อันนี้เอาเพลนี้ก่อนอธิบายนะอันนี้เขียนจบแล้วจันกับครูเป็นอริต่อกันศั์เสาเป็นเส้นศัครู หรือนนว่าเราอุทิศพรปลูกไว้เพื่อให้เข้าใจง่ายนะฮะท่องได้บรรูปจันทร์บครูเป็นอดีตกรรมอันนี้เมื่อวานเราเรียนไปเรื่องใช่หไหมเรื่องธาตุใช่ไหมเรื่องธาตุทั้งหมดเรียนไปหมดเอาคู่มิด ก, ก่อนอาทิตย์คืออะไรหนึ่งนะธาตุอะไรเมะวานที่ให้ไปอา ท, ท, ทิตย์เนี่ยทิศดวงอาทิตย์เนี่ยธาตุอะไรร้อนธาตุไฟพระหัสเป็นธาตุไฟเหมือนกัน แต่พลาดเนี้ยเป็นไฟสูงแปรเคยเห็นไฟสูงแปรไหมที่ก็เผาถ่านแ ล, แล้วเห็นเหมือนไม่มีอะไรแต่อย่าตกเข้าไปในกองนั้น<ต>ไมเหลือเอยเพราะว่าถ้าพูดถึงท่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีความรู้มากมายสะสมประสบการณ์เยอะแยะเวลาอธิบายเนี่ยอธิบายเข้าใจละเอียดผู้นำอธิคือผู้นำทหารเหมือนอะไรที่ตุกษานะผู้นำเดีย ต้องมีที่ปุษาถูกไหมที่ปุษาต้องเป็นยังไงสุขุมรอบพ่อบไหมอ่ะก็เลยต้องอยู่ด้วยกยันเป็นมิตรคู่กันไปอ่ะอันนี้ไปจบกังนี้จันทรกับพุทธก่อนก่อนอว่าจันทร์ชกัวพุทจันทร์เนี้ยคือน้ำใช่ไหมธ า, า, า, ม า, าตุตามตีตามธาตุนะพุทธคือดิน พุทเนี่ยตัวเนี้เป็นดินเหนียวนะเขียนไว้หน่อยพุทตัวเนี้คือดินเหนียวดินที่ปั้นได้เช่นนะภาชนะอะไรต่างๆที่ทําแล้วใส่น้ําลงไปแล้วอยู่ได้นะวัตแก้วว่าถวยประชามอะไรที่เรียกพุทนะแปลว่ารองรับน้ําอันนี้น้ํากินได้นะจานตัวนี้น้ํากินได้นะถาดน้ํากินได้จบไปด้วยนะที่รองรับน้ําจานสมตัวพุทธนงเยานะ นั้นสภาพแวดล้อมคือดาวจันทร์อาแวดล้อมเนี่ยคือดาวจันท์พุดคือการสื่อสารหมายความว่าถ้าพูดดีต่อกันเนี่ยก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอย่างคนเราเนี่ยคุยเรื่องเดียวกันเข้าใจก็คุยกันได้งานถูกไหมเพราะมันเป็นมิจฉาแต่ถ้าเราคุยกันอยู่ในดีในวงเนี้ยคนอื่นมาดาวปุ้งปั้งป้งงถามว่าไอ้นี่มาไม่ดีคือ ศ ต, ตููนะพอศัตรูมาไม่ดีก็น้ําเสียสภาวะว่ายร้อนเสียก็วงแตกนะมันจะมีใช่ไหมเราเคยเจอไหมระบบวงแตกอะมาปุ๊บคนนี้มาในวงแตกกันดีก็เราคุยสนุกอยู่ดีไอค้คนนี้มาปุ๊บวงแตกถ้าเป็นคู่มิัรก็คุยกันสนุกอ่าต่อไปสุกหวานอังคารแล้วเอานะสุกคืออะไรพาดอะไรมอ<ง>าดลม อังคารคือธาตุนะน้ําอาดน้ําแต่น้ําอันนี้กินไม่ได้ทานกินไม่ได้นะเช่นน้ำอะไรอัำกรด น, น้ำกรด น, น้ำกรดนะฮะหรือน้ําในครองกินได้ไหมน้ําที่ได้นะปากหวานอัคาแล้วถ้าเป็นคนนะถ้าเป็นคนเนี่ยทานเป็นยังไ ง, งหัวรุแรงนะ แุลาบมุทลุดุดดันนะทางคารแต่สุกเป็นไงปากหวานนะตายแม้เจ็ดมุทลุดูดันอย่างไรให้ตายเลยเออสุกเข้าไปนะหวานเข้าไว้นะก็อยู่ด้วยกันได้นะผูนะ้มิตรกันนะอย่างที่บอกอันนะี้เสากระรวงหูเป็นเกิดกันอย่างที่บอกนะเวลาเห็นไหม เสาคือทุกนะลาหูคือเมาเวลาคนเรามีความทุกข์ที่ไรชอบไปเมาหรือหลับทุกทีนี่เหมือนกันอ่คนะอนเซปมันเป็ น, น, นหรือชาวนานะต้มเหล้ากินชาวนาเนี่ยเห็นไหมเมื่อค่ายเคยอยู่เคยเห็นเราๆ เ, เราไปบ้านออกนะอทาเล่าเถื่อนเห็นไหมต้มเหล้ามันกินเองเลยเป็นโจรโจรคือรนะาหูชานะกับโจร น, นั่งคุยกัน อยู่ท้ายไทยนารนะึเ <อะ S 1> เรื่องของการอธิบายอดูคู่อะไรศัตรูอาทิตย์ปีนังคารเอาปีตามาตุอาทิตย์คือธาตุอะไรไฟนังคารคือนังกรธนังกรธใช่ไหมไฟ<ม> ก, กับนังโกดอยู่ด้วยกันเป็นไงฮะถ้าพูดถึงวิทยาศาสตร์การทดลองเปิดไม้มปุ๊บทันทีแม็กไฟถ้าเป็นผู้นํา และเป็นนำอาทิตย์นะาำเช่นแต่กษัตริย์นะอังคารคืออะไรคือกองทัพหรือทหารทหารเนี่ยกษัตริย์เนี่ ย, ยต้องระวังเรื่องของการปฏิวัติทหารมีกองกําลังเยอะและรุนแรงฉะนั้นกษัตริย์จะต้องมีอะไรป้องกันไว้นะไปอยู่กับทหารโดยตรงถ้านะพุด อันภาภาีิวาราหูราหูคืออะไรคาดอะไรตาหูลมลมพายุ<ด>ใช่ไหมพุท ค, คือทาที่าบินที่บ้านได้นะเมื่อมาอยู่คู่กันมันเป็นยังไงนะเป็นฉะนั้นชอบโกหกกันอะ่ะข้อมูลที่ไม่จริงราหูคือสิ่งที่เล่นลับคืออย่างนี้ความลับมีอยู่ แต่พูดธนี่ชอบพูดให้เขาชอบไปขยายความลับที่เขามีอยู่ก็เลยไม่ค่ถูกกันบางคนนี่ไม่อยากให้พูดรู้ใช่ไหมแต่พุทธเนี่ยชอบพูดก็ไปเอาความรับเขามาขุดคุยเอาเหมือนรักการเมืองที่ทุกวันนี่อะไรก็ไม่รู้นะเป็นศตุกกับเสาเป็นอะไรศตุกคืออะไรเมื่อกี้การใหญ่ท่านว่าคือเงินใช่ไหมคือการคือฟุนคือต้อง เสาคือธาดอะไรตุรดินใช่ไหมคนนะจับเก็บเนะสามาทีเดียวหมดเลยคุ่นที่ฟุง้งนะ <c oughs> ตุกกับเสาเป็นเส้นประตูเหมือนอะไรถ้าเหมือนคนก็คือผู้หญิงหญิงนะชอบทา ง, งานหนักไหมเนี่ยเสานี่งานหนักชอบไหม ผู้หญิงที่สวยแบบนางงามจัอรวาลเนี่ยมามดแบบปูนมาขนกินชอบไหมอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ชอบเป็นจานกับครูจานคืออะไรอาดนอะไรขาวน้าครูคือไฟสูงแกรบอันน้ำาม็นลดไฟไฟเป็นไงกันถ้าเป็นคนนะถ้าเป็นคนนะผู้หญิงกับพระเนี่ยพระได้ไหมใชการได้ไหม ก็สุดพะอยู่กันมากไม่ได้คุยกันชั่วครั้งหรือคาไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ตลอดหมว่ามาทุกวันทุกวันสึดหมดนะอันนี้พระอันนี้คือคู่ศัตรูนิดเราก็เห็นตัวเลขแล้วรู้เลยว่ายังโทรศัพท์เราคู่เป็นมิตกันรู้เลยแต่ครั้นี้ที่เห็น <c oughs> มันก็ต้องประกอบด้วยวันเวลาอย่างมื่วานอ่าวันนี้ใครมีโทรศัพท์ที่เป็นเลขแปดแย่ดีไหมวันนี้เป็นอะไรนะอ่ะกี่ขําอ่าเลขแปดเป็นอะไร <S <S ทักษะคิดอะไรเป็นกรกิ น, <S 2> <S 2> น, กกนีอ่ะกี่ข้ามขึ้นไปข้ามสีอะไรสาวดำ ได้แปดดีไหมได้ดีใช่ไหมโทรศัพท์ของเราต่วันนี้ติดต่อสื่อสารก็เป็นขุ่นขำเรื่องรถวัน้เปลี่นสงวันนี้เปลี่ยนสีดำจะฟังไม่ดีจะให้เปลี่ยนเป็นรถคันไหนนี่มือแกใจญ่หุ่นเล็กเราะเขาไม่ได้ค่ขัลวชาร์จแบตเตอี่่ดี อาขไม่ได้วิ่งมาตอเปล่นี่จ๊บอกเอ้ยนี่ตกลงจะให้ฉันเกิดีเหรอนี่วุ้ตาสีดำมาวันนี้เจอเมันไม่ีดำแลเวท่านเป็นสีมวงเท่ากันเนี่ยท่านยันได้เชื่อแล้วแต่ใส่เชือ่ยแล้วทานเป็นสีม่วงป้าาสงสัยต้องลนี่ไม่ใช่ ตรงไหนต้องรอตั้งหโมงเย็นอีกแล้วดีเลยนะพี่ดานี่หมอโอ้ยเขาเขาเขาเขาบอก่าอะไรอย่างเงคือหือผมขังอะ้ราไม่ขัือรือหัวยอะไหรก็ถูกอันนี้คือสิ่งที่เราประกัทุกวันนันี่แหละคือการเช็คตัวเองการแต่งตัวการคืออะไรที่อยู่รอบตัวเราส่วนประกอบทั้งเราทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าองค์ประกอบทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเรานั่นแหละคือมหาปรุตุูุที่เกิดขึ้นดินน้ำลมไฟแต่ถ่ายข้อออกมาให้เรารูมา้มันเนี่ยมันอยู่กับเรายี่สิบสี่ชั้นมองเร่องโทรศัพทอย่างเงี้ยนะมีแปดตัวที่ต้ อ, ททอ ง, งอที่บอกว่าเออมันมงคลเนเป็นมงคลต้องเอามารวเป็นเลขตัวเดียวไม่ใช่ไม่ใช่เอาตามภูมิและศักษา ดีทีมันจะเป็นเฉพาะมันจะตรงผลุนแรงที่สุดคือใน11นาทีที่พ่อวินาทีนะในช่วงนั้นฉะนั้นเรารู้เราก็ไม่โทรสาช่วงนั้นับแม้มันจะเสียทั้งวันใช่แต่มันไม่ได้มีช่วงที่ดีอ่ใช่ในแต่ละชั่วโมงครึ่งมันก็มีช่วงที่ดีอยู่ในแต่ละ11นาทีมันก็มีทั้มันอยู่ไงอ่าทียบอกว่าเล็กกวิสุทธิ์ไปด้วยกันก็ไม่ได้ แต่เยอะมา่ตอนนี้หนักไปทงแปดเี่ยวไหมครับนม่ถามว่าพรุ่งนี้แปดเป็นไงไม่เกี่ยวกันพรุ่งนี้แปดเป็นอะไรพรุ่งนี้นี้แปดเป็นอะไรรองรับดูอ่านแล้วนัดนัดนัดนัดนัดนัดอัศัยบริวารอยู่ไหนอ่าพรุ่งนี้ดีดำเป็นมนตรีเป็นไงดีไหมดีออดีดสมว่าุกบริ่นี้ มันลำดับความสําค <a next> <credit> ัญก็แต่ตัวแรกเป็นสําคัญเพราะร่าสำคัญมากได้หมอาจารย์เคยบอกให้หนูสามตัวท้ายเอาสามตัวท้ายตัวใดเทนั้นอย่าลืมนะอาจารย์นั่งสอนไปเมื่อเช้าอุปาทะสิติบังคัสการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปถ้าเวลาไหนเมื่อไหร่เลขมาคุณตูปสามตัวท้ายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั้นมันชัดเจนเวลาไหนเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ตัวท้ายนะ นเรามาเช็นตามปุ่มเนี่รู้เลยว่ามันแสดงผลเมื่อไหร่มันดีเมื่อไหร่วันไหนเวลาเท่าไหร่นะเราก็จะบวกทักษะคือเห็นหมมันมีอำ น, นาจแค่ไหนรุนแรงแค่ไหนและพรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็คนละเรื่องแหละเห็นไ้มมันก็หมุนไปอัตามอำ น, นาจของดีที่ชื่นแลมและทักษะที่หมุนไปตามนั้นนะเราก็รู้เนี่ยสามตัวท้าย แค่นี้สามตัวท้ายสมมติว่ะวันนี้แปดไม่ดีเห็นไหมหรืว่าอยู่ในตำแหน่งสามตัวท้ายตัวไหนไม่ดีแต่ถามอีกสองตัวมันดีอ่ะเราก็สามารถชุดขึ้นมาได้ไหมอ่าสองก็นี่ไงแปดสองเป็นติดอยู่ดีแต่มันไม่ใช่เสียทั้งวันหมายความว่าเออมันมีความหมายที่มันเผินไปต้องวางไว้เรื่องคู่สองคนกับค่า อ่ะจดอ่ักเรียนจดตามคำบอกท<ม>ันเขียนว่าคู่สมพลกับ <c oughs> สมพลอรอรีนะสมพลก็ได้พลหมายถึงคุณโลดผลตับพันแปรงแล้คนเก่งต่อคนเก่งมาเจ็บ <c oughs> แต่ตามตัว ก็หมายถึงปีกำลังเสมอกั น, พ, น, นพันล้านกับพันล้านคุยกันก็สลายดัยงเช่นผู้สามีภรรยาที่เป็นคนแต่งาตงานกันจะให้คุณแรงรวยแบบฉับพันทันตาเห็นพแต่งงานกันทำไมก็ต้องรวยกันฉันใจทันตาเห็นถ้าเป็นคู่มิตร ถ้าเป็นคู่เมิตรจะไปค่อยรวยสังเกตนะถ้าเป็นคู่ศัตรูก็จะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขขัดกันนะถ้าเป็นคู่ศัตรูจะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขสุดท้ายก็อยู่กันไม่ยืดแต่ก็อยู่แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวอะไรมาเจอกันดาวอะไรมาเจอกันเพราะมีทั้งดีและร้ายไป ทำกรนะผูกไว้นะข้อที่หนึ่งะว่าละวิสุกเทพเจ้าทวนอะไรนะละวิละวิรววอร อ, อเอรือววิสุกกระสุะกเราเนี่ยเทพเจ้าแล้วก็วัดไว้มันเป็นกอรคงสี่สุภาพตัวถแถลง ลาวีสุเทพเจ้าถวยแถลงข้อทหารวมแหวนยุยักแถลงกับแหลงนะครับประเทที่สองจันลาหูสูส่สำแดงจันลาหูสู่แดงเด่นชี้ <c oughs> หรือหมดแล้วก็คงสีสุภาพต่อไปคุ้มคุ้มตัวนี้ใช้พอสำเพาสรุมมะม้าพอ่าน ไอ้พอสพาเผากลันนะพุมครูก็คือครูนี่แหละผู่พนพุมครูคู่พนแข็งขันเรียกแขงขันเรียกแขงขันเรียกสมพลนาพุดเสาไอ้บระทันนะปรสบ า, าพุทเสาดาวเยี่ยงนี้พุดเสาดาวเยี่ยงนี้ยิ่งล้ำกำลัง จะอธิบายอันนี้ครูสมพลอัดก่อนนะตอนที่ว่าไปเราวิสุขสุขใช่ไหมเรวิคือนะเนี่ยตัวยแถงภูมิอ่าจันร์ราหูสู่แสดงจันท์เลขอะไรําแดงเด่นดีเนี่ยลาหูก็ภูมคิครูนะฮะ มุมอันเรียกสมคูรณ์าก็พุทธเสานะพุทธออกไห้สี่คู่ปู่สมพลนะผลรุนแรงนะทับพันดันดีอาทิตย์นะถ้าอาธิบายก็เหมือนพระราช า, ามีอะไรคืออะไรครับมีคลังที่เยอะมากจึงจะปกครองดูแลประชารนาได้อย่างมีความสุข้ากัตตาจนอยู่ไม่นานก็ล้ม นะตัดกับความร่ารวยหรือมีขาดนะฮะจันกับอันนี้จันตาหูคือถ้าเป็นที่บอกเมื่อวานนี้คือผู้หญิงใช่ไหมแมใช่ไหมอันนี้คือโจรผู้หญิงกับโจรเหมือนที่จันเคยบอกปะไปหาโจรโจรเนี่ยผู้หญิงกับโจรของคู่กันนะสังเกตไม่ว่าหลังเรื่องไหนเนาะเหมือนกัน ของคู่กันจะต้องปากกันไปแต่อันนี้ผู้หญิงไปหาโจรแบบไกลเติ น, น อ, อ่าขอโทษนะอธิบายหน่อเอาแบบไม่ใช่เอาแบบไม่เดี๋ยวจะเลยไปครับไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่ามันไม่ตรงป้าสองได้นนเงินครับดอกเงินถูกไวเงินที่ได้มาฉับพันทันทีอือมก็ไปนะเพราะว่าแปกเพราะฉับันทันทีใช่ไม่ปาดในฝันเหมือนพายุหรือว่าฝัน ฝันแล้วซื้อหวยเพราะจันร์ได้กเงินเคยจำไหมจันได้กเงินหรือจันคือพระจันนะเอาหูคือเงาเงาพระจันทที่จะบุตรก้อนจันหลตอนจันอาจารย์ไหมแสงจันในทะเลเงาจันทในทะเลสวยมไหยนั่นแหละเขาเรียกคู่สมพนถ้าผู้หญิงคนไหนที่มีจันกับราหูคุงจันแต่งงานคนไหนแต่งงานในสามีเนี่ยโอ เหมือนกับเป็นหุ่นดนไปเลยหลงรวยอ่าจะเป็นอย่างนั้นจีิงือสมบูรณ์แบบอ่ะเพราะนั้นอยากจะรู้ว่ามีสเสน่ห์เมื่อไหร่สหรับผู้หญิงนะวันที่แต่งตัวไม่ขึ้นผัดแป้นสไลดยหน้าเราเขียวปัดไม่ขึ้นนึกออกมาแต่ใช้อายแชโดว์ยังไงก็กลายเป็นมีท่านด้อะไรอย่างเงี้ยเพราะงั <laughs> ้นเรามองดูได้เลยว่าอันไหนเนี่ยน <laughs> ีจันกับราวหูเนี่ยเข้าคุมกันวันนั้นนะ่ะจะแต่งตัวสวย อาจจะสวยไปไหนเนี่ยอเธอไปทําหน้าเแบบี้เฟสมาจากไหนทําไมมาสวยอย่างเงี้ยจะบอกได้เลยหรือจะส่งคนเข้าประกวดเนี่ยจะรู้เลยก็ได้หรือไม่ได้รู้เลยยืมเงินดักทีเท่าไหร่เสร็จแล้วเรารู้เลยว่าเข้าไหมจากเนี้ยดาราจะส่งเข้าไปแต่กระเด็นเนี่ยถ้าไม่ได้อย่างนี้เนีน่ยเขาไม่ได้เงินเพราะว่าเราหูได้กับหนังหรือภาพยนตร์หรือเงาแต่เข้าไปทําเงินไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้เป็นหลักหรืจะซื้อหุ้นนี่ก็หุ้นนะ จนันเงินตาหู่ได้แก่สิ่งที่เกิดขึ้นแบบฉับานเนลมบ้าหมูอ่ะบู๊กว่าหายไปเลยนะจ้าใจดังเด่นแบบบึงบ้งบึ้งแต่ที่มันต้องดูเลยไม่ใช่คือใค่ดวงมาได้เลยนะดวงนี้ไม่ต้องพู้ถึงองารมณ์ฮะก็คือมหาภูติรูปเพราะเราจะมาดูอีกว่าไอ้จันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรตาขูเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์แบบไหนมหาภูติรูปชนิดไหน ที่มันทํางานขนาดนั้นทํางานเกี่ยวกับดีวา่าทํางานเกี่ย ว, ว, ยวนะีหรือทํางานเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเราต้องเอามาใช้ให้ถูกเพราะมันทํางานเหมือนกันดวงนี่มันฟิกเขาบอกทำงานดวงตอนเกิดตอนเราเป็นเด็กแต่อีตรงเนี้ยมันอาจจะไปไปคู่สมพลในจุดขององสิคือองศัตรูปรากฏว่าศัตรูโดยเอารวยอาเราเจ๊งแต่ดวงไม่บอกเพราะฉะนั้นหมอดูจึงดูตัวเองไม่ได้ไง จริดูดวงอะหมอมัน้อดูตัวเองรวยไม่ใช่ไปดูคนอื่นเขารวยจึงไม่มีหมอดูคนไหนรวยนอกจากหลอกเขาแล้วรวยแต่ถ้าอ่านมหาภูตรูปรับรองรวยทุกคนเพราะเราอ่านอารมณ์ของคนอ่านจิตของคนที่จะทําให้เต็นไปอารมณ์ไปกระตุ้นจิตจิตไปกระตุ้นใจใจทํางานทั้งคันผู้หญิงกับโจในเรื่องของเมื่อกี้นะมันมันนั่นอาจารย์เสียครับนั่นอาจารย์นั่นลาหูอ่านั่นคืออาจารกับเสาว การกระสาวค่ะเรียกว่าลูกเศรษฐีไม่ถูกข่มขืนไปต่อไปปุ่มครูคู่คนแข็งขันบบเด<บ>ีอดสมพลน า, าคืออะไรดาวอะไรดาวอาคารดาวพฤหัสพฤหัสคืออะไรคือพระหรือนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถนักวิชาการคนไหนที่ฟังขยันบ้างมีไหมคนคว้าตลอด งานความคิดเห็นเชี่ยวชาญพระอาจารย์นะถ้าไม่คนความไม่เชี่ยวชาญไปสอนเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้ได้แก่ปัญญาอังคารได้แก่ทหารอาหารที่มีปัญญาก็คือทหารอัยเสนาธิการเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเขาใช้ทิ้งแทนกระลุกกระลวงเอาสุดยอดการสอบแข่งขันทั้งหมดต่อไปพุทธสาดาวเทียนนี้ยิ่งรับกําลัง1419ให้คนกิน เอาเหรียญคุตกระสีนี่นะสนีส่เขียวต้งนามเป็นสีเขียวนี่บริบูรณ์ไหมบริบูรณ์เฮ็ดดินเป็นสีเขียวนี่แสดงดินชุ่มจะอุ่มแล้วนะใช่ไหมประชาชนก็คือดาวเสาเส า, สาได้แก่พวงช น, นถ้าใครเรียนเรื่องเลขมาเนี่ยตัวเลขเนี่ยจะรู้เลยว่าเลขเจ็ดได้แก่พวงชนใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นฟุตได้แก่การคอมมูนิเคชันนี่การสื่อสารอย่างนี้เนี่ยหาเสียงด้วย <Right. S 1> วันวันนี้กี่เท่าไรยังไม่ถึงวันที่สาเนี่ย เพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยถ้าดาวสี่กระดาวเจ็ดในกลุมกันเนี่ยนในการหาเสียงเรารู้จะหาเสียงได้หรือไม่ได้ไอ้ผู้ว่าคนนี้จะได้ไม่ได้เด็กๆเส้นใได้กระดับเส้นให้ตกกระดับพอตีที่ไหนตีที่ ด, ดาวปุดคือการสื่อสารให้ตัดซะตัดการสื่อสารก็จบแล้วก็คือพุ่งย่านั้นไม่มีหญ้าไม่เขียวก็คือเจ็ดแล้งแรงน<ร>ี้ก็ออกไหมนั่นแหละนี่คือพูดคือการสือสรรส่อสารการสื่อสารก็แผ่นดิน ว่าแผ่นดินนั้นชุ่มสมุนหรือไม่ก็สื่อสารจากพืชอญญันทางอาหานิ้ใช้สีเขียวเป็นสีของความอุดรดมสมบูรณ์ต้นไม้นี่แหละพ้นก็แล้วลที่ไม่ใชวิชาหมอดูนะถ้าอ่านมหาพลตัวลูกสีเนื้อหลักธรรมชาติจังโหระแปลว่าเวลาศาสต ร, ร์ไปว่าความรู้ความรู้เรื่องเวลาอืมเราเรียนจะมันเหนือขึ้นอีกเพราะเราเรียนสเปกด้วยเรียนถังเรียน ไอ้เวลานี่คือ time ท, ที่ เ, เนสเปซว่าพื้นที่และเวลานั้นมันเปิดปฏิคิริยาอะไรให้ชุมชนหรืออารมณ์หรื อ, อวัตถุนะหรือสิ่งที่อยู่ตรงนั้นเนอเรเมนต์นั้นเปลี่ยนแปลงไปตามสรรภาวะของเวลาโดยมีอากาศซึ่งเป็นมหากูุตรูปเเราก็สามารถควบคุมได้ด้วยนะสร้างได้ด้วยควบคุมได้ด้วยคือปั่นก็ได้ตามก็ได้ทำให้เป็นก็ได้ เพราะนั้นจึงควบภูมหมาปูตุ้งที่เราต้องเรียนหมาปูตุ้งเพราะเราจะต้องไปสู่นิพพานเพื่ออยู่ดํารงอยู่โดยไม่ต้องอาศัยหมาปูตุ้สีเราจึงต้องควบภู่หมาปูตรูปได้ก่อนก่อนที่จะไม่มีมันนี่เป็นขั้นต้นเพราะว่าจริงแล้วมันคืออภิธานค่าคำวนวณ<ป>นี่คู่สมบูรณ์นะคู่สมบูรณ์ถาวรแน่นอนมั่นคงแต่จะเปลี่ยนปลายกาปรูของมันามาตามเวลาของมาันทั้งดีทีทั้งเวลามันจะมาพานั่ มีผีเป็นตัวอารมณ์นะอารมณ์ใหญ่ดรงจันทร์แต่เวลาจะแยกย่อยไปว่าในซึ่งแรงนนั้นจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างเหมือนกับวันเนี้ยตอนเช้าบินมานั่งถือชรงช้าบินมาพอสายมานั่งเรียนพอเที่ยมประทานข้าในวันเดียวกันเรามีเจ้าหลายพฤติกรรมเราตเล็กยามย่อยอย่ามอะไรนั่นแหละถ้าได้เงินรวยได้หนอถ้าก็เกษตรรเกษตรกูทา มาจบไปเลยนะหมายถึงแต่จดดิ่งที่เข้ากันได้แต่จับคู่กันแล้วทําให้มีผลสมสดังเข้ากันได้จับคู่กันแล้วทําให้มีการส่งผลช้าๆแต่ยาวนานค่อยเป็นค่อยไปเอ็นสามีสามีภรรยาที่แต่งงานกันแล้วค่อยจะเริ่ขึ้นทีละน้อยตามลําดับดดทีละน้อยตามลําดับ ต้องเายาวจะเห็นผลภาพเหมือนกันอ่านวัฏจินด์เปรวิเสาเร่าร้อนไปรนละวิเสาอ่าละวิเปวิเสาเร่าร้อนไปรนของศรีชีวิตดินดันดินอะไรดินดันดินดันดันราหูภูมินะภูมินี่นี่เกียนภูมินะภูมิภูมิวันนี้เป็นภูมิราหูภูมิมา อ่าภูมะอ่ Ran Ran Ran ma, าภูมิมะลาลมดลลาหูลมดลต่อเกียรเก่งนาพ่ะลาหูลมดลลมก็ลมเราดลก็ดอนั่นแหละตลอเกียรเก่งนาตอเกียร์เกียรตีเกียร์เกล็ลลดเกียร์ตเกียรตีุสุขอุทกอุทกนั้นพุทธอาประทับต่อไปพุทธสุขอุทกนั้น คู่ธาตุอาหารสุขภูตทกนั้นทกก็คือน้ำนะภูตทกเลยคู่ธาตุอาหารดาวแทนความหมายนี่คือที่ทัดนะไปในเตาอันที่ไนอ่าไปในเตาอ่าเขียนไว้นะอาทิตย์ทาดไฟใช่ไหมสาถ้าดินก็ไปในเตาไปในเตาคู่ธาตุแน่นอนสาวไฟเขาอยู่บนดินอ่า้ดีกว่า ไปที่ใช้งานได้นนะอุปกรอ์ออก็สบายง่ายงไปในเตาะนะอันอันที่สองก็น้ำ อ, อุ่นตรงกาแฟอ้าวปุ่นเขาคือคนหาเงินด้วยปัญญานั่งนั่งแล้วเคาะป๊อกอปายผ่านรางอย่างเ <c oughs> งีง้ยนะไม่ต้องวิ่งหาไม่ต้องใช้แรง่ใช้ปัญญาเขาก็หาได้แก่อะไรปัญญานี่ปัญญาเห็นไหมอันที่สามนีม่อันนี้สําคัญอันที่สามทหารอย่างเงี้ยทหาร หน่วยรถพิเศษอังคารคือการท้่แจงอาวุธรถพิเศษเลยขับไวใสไหไมเราเห็นว่า ว, วิสาวเล่าร้อนไฟรดซาซีทีวัดดนดินด้านนะอภูมิมะอาหุลมดนเนี่ยขอเกียรติอย่างนะี้อันนี้เลิกเกียรติเลยนะถ้าใครจะขึ้นตําแหน่งจะเป็นรัฐมนตรีนะจะเป็นโดยเฉพาะข้าราชการที่มียศตําแหน่งฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ผู้ที่ถืออาวุธมีเรื่องอำนาจสั่งการ yes no okay แต่ไม่ใช่โคคาโคลานะการนั้นไม่เกี่ยวนะประเทศที่สั่งการได้เลยอย่างนี้แล้วก็ต้องเป็นอาคารยิ่งใส่เครื่องแบบยิ่งดีเช่นจะเป็นพบวัตบอมไหมเขาถามแบบนี้ดดเขาดูเลยว่าอาคารเข้าหาราหูเนี่ยปเป็นแน่นอนร้อยเปอเ็นต์เาเป็นแบบพลุกด้วยกระโดดข้ามจากที่ปรึกษาอ่านทะ่าบอกถึงไม่มีเส้นโอกาสได้เป็นกระโดดข้ามมาเป็นพบวัตบอเลย อย่างนี้ก็มีทํามาแล้วด้วยแล้วได้เป็นด้วยพายในสี่วันได้เลยแต่เป็นสวธรรมดาเนี่ยไม่มีโอกาสเลยกระโดดข้ามตุม้มมาเป็นพบอบมบไม่รู้อะไรเลยวย่ผลงานก็หัวไปเรียกสีดำอันเดียวทุกวันนี้ก็จะใส่กันอู่ไม่บอกว่าใขายท่า <c oughs> <c oughs> นอ่ะก็ใช้อันเนี้ยเพราะว่าอ่าจำไว้เลยเมื่ออังคารอยู่กับเราหูให้รู้เลยว่าอย่างตอ น, นเนี้ยเนี่ย ตอนเนี้ยราหูเป็นหมาอุดเพราะฉะนั้นคนนะ่ะทั่วไปเนี่ยเขถูกหลอกที่เราเห็นในของปลอมทั้งสิ้นในไม่ว่าจะเป็นของในเรื่องของอาการเมืองการเงินโดยเฉพาะการทหารที่มีการรบกันเนี่ยของปลอมทั้ง น, นั้นไม่สองจริงเลยพเพราะราหูไปว่างาวสิ่งที่เราจริงคือไม่จริงเกิดขึ้นโดยผู้ที่ถืออาวุธเพราะนั้นไอ้ภาคใต้กับแมกการประเทศ น, นั่นแหะตอนเนี้ย ราหูอยู่ที่ราศี พ, พิจิกพิจิกเป็นราศีของอังคารในจานทรศาสตร์นะคันั่นก็คืออังคารกับราหูเขาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่ชนะภาคใต้ทำไมถึงไม่ชนะ ก, ก็ต้อ ง, งทำเอง ต, ตอง่างก็ทําเองคือไม่ได้จัดฉากเข้าไปหน้าที่ทำไม่ไงั้นคุณอยากไดผลที่ไหนก็ต้องมีขั้นประทัดไม่มีประทัดคุณข อ, ขอในผลไม่ได้ไไดแลว้วงบประมาณกี่พั น, นล้านลงทุนระเบิดไม่กี่ลูก ไอโกกี้ตายก็มีอินทรีลันถ้าลูกหล า, านจะรอดไปมีเงินช่วยเหลือไม่เห็นมีอะไรแล้วก็แสนติดหน้าทัศน์สิ่งได้อีกด้วยการที่จะไปเรื่องของการเลือกตั้งใช่ไหมคะแนนตกคะแนนโบดไม่ต้องเลยระเบิดกันเดียวจบเพราะฉะนั้นวิธีการเราจะรู้เนี่ยเราจะรู้จากอันนี้เรารู้ก่อนด้วยเราพูดไว้ก่อนแล้วตอที่อบรมที่โน่นบอกว่าจะเกิดเหตุอะไรบ้างเนี่ยสถ า, านะภาคจะเป็นยังไงเราจะรู้ก่อนเพราะมันมันมากระตุ้นอารมณ์ใช่ไหม อันนี้มันเกิดขึ้นทันทีฉับพลันทันทีลาหูไงวูบแล้วหายไปแล้วก็เกิดใหม่วูบหายไปแต่จะเกิดเสียเลือดเนื้อความขาดเพราะฉะนั้นอฟุ้งมะคืออาการลาหูลมลาหูก็คือลาหูลมรนก่อเกลื่งนนะในเรื่องของหุ้นก็จะเป็นลักษณะของหุ้นเกี่ยวกับโรงงานค้าวุตกับพวกหุ้นน้ำอัดลมตอนนี้น้ำอัลมจะขึ้นอย่างน้อยราคาก็ขึ้น แล้วคนดื่มเนี่ยที่ประกอบโค้ดโซดาเพราะมันฟองอ่ะอ่ามันจะมีไงนะมีบั๊บเบลมีไอฟองนั่นนแหละฟองเวลาหูไงอ่าและก็อีกอันนึงก็คือการปรับปรุงนี่เราดูลึกก็มีก็ได้ว่าธุรกิจอะไรจะเกิดจะเฟื่อธุรกิจเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์จะมีการปรับระบบโลงภาพยนตร์ในแวดลงภาพยนตร์จะมีการปรับระบบการใช้ระบบ การนําภาพยนตร์ข้าการสร้างภาพยนตร์จะไปธุรกิจธนารภาพยนตร์หรือเอนเตอร์เทนเมนต์จะมากขึ้นเพราะปีนี้นี่เราไม่ได้พูดถึงนี่แดนพูดถึงว่าขนาดนี้นะเนื่องจากลาวหูเนี่ยมันอยู่ในเดือนของอังคารจะออกแล้วหลักใต้ตอนที่จะระเบิดลงก็เหมือนกันไอ้ไม่ใช่ระเบิดอะไรไอ้เศษขยะแล้วโอกาสไอ้ที่ต้นขาทูของกวางบ่าเขายังไม่หมดเขายังโตอีกรับลักษณะของราวหู ที่เกิดขึ้นนะเราก็รู้เราก็จะบอกแต่ตกที่ไหนก็บอกไม่ด้อีกเพราะมันมีพิ ก, กัดมีเส้นพิ ก, กัดบอกเรียนรายะเอียดครั้งหนึ่งเคยสอนที่อุบลเสดตรงไอ้ทางรถไฟอะนะไปสอนสอนให้สามารถตั้งพิ ก, กัดเนี่ยใหญ่เนี่ยได้ดินได้ว่าพิ ก, กัดอยู่ตรงไหนให้ถ้าถึงตรงไหนเขาใช้ลบกันมายโยกโบราณเขาใช้ลบกัน ทั่นเราสามารถจะรู้ได้เป็นเรื่องปกติเมื่อไหล่ตรงไหนเราก็จะรู้หน้าดัคุณวางแผนยังไงคุณก็ไม่พ้นไปจากโลกเราคุณไม่ถึงนิพพานเราคุณไปวางแผนยังไงมันก็อยู่ในขอบเขตของมหาปริศกสีนั่นแหละนั่นผู้ที่จะอเรียนรู้ตรงนี้จึงเรียกว่ารัตตันอยู่รู้ทุกอย่างเทฤษฎีขอ ง, งการจะรู้มีไม่รู้อย่างเดียวว่าจะถึงนิพพานเมื่อไหร่เท่านั้นนอกนั้นรู้หมดที่แต่เรามาใช้ในด้านดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราบอกโอ้พิการนี่อันตราย พูดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าพูดอย่างนั้นเนะ่ะโรงงานกระดาที่ปั๊มตังออกมาก็ผิดศิษย์ที่ทําให้หิดแบงต่อมันต้องไปโทษไอ้คนที่ใช้ไม่ดูว่ามันปลอมหรือไม่ปลอมอย่าไปโทษว่ากโรงงานกระดาก็ทําแบงออกมาแล้วทําให้เกิดแบงต่อเพราะฉะนั้นวิชาเนี้ยคนเอาไปใช้เยอะเรียนจากเราไปเยอะเอาไปใช้ทางทุรวิตก็มีไปใหะคนผู้ใช้เนี่ยผู้ฉดผู้ที่เวลาเขาซื้อของอะ่ะ นะเราก็เหมือนก่อนนะยูเซอร์อย่เงี้ยดูด้วยว่ามันจริงหรองือปลอมก็มีวิธีการตรวจสอบอย่ที่บอกแล้วเหมือนการสัตว์ตังเนี่ยก็จะมีมาร์กี่ใช่ไหมว่าตรงไหนเป็นยังไงทีนี้นเราไม่ไม่ดูเองอ่ะแล้วบอกโอวิชานี้ไม่ดีมันน่ากลัวนาำชาเนี่ยเฮ้คุณอย่างเงี้ยบอกอุตสดงป์ปฏิหารเปล่าเลยนี่แสดงปฏิหารอะไนเลยคุณก็รู้ได้แต่คูณเรียนรู้อีกทีนาทีคุณจะคิดเรื่องอะไรเขาเดาใจออกมา เพราะเขารู้ก่อนว่าคุณจะคิดอะไรมาคุณรูปอะไรจากประงารพูดไว้ก่อนเดี๋ยวคุณก็จะพูดถึงนะโอ้โหตรงใจเลยถ้าคุณคิดไปก่อนแล้วมันก็ผลมันออกแหละเพราะามันวิ่งง่ายกว่ากับพฤติกรรมที่จะทำต่อไปครั่นั้นไม่ใช่ปฏิหารเป็นสิ่งที่ใครก็รู้ได้ถ้าคุณเรียนเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอที่ไหนอย่าโกรธนะว่าวิชานี้ไม่ดีไม่ใช่มันอยู่ที่คนเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกนั่กนกน อังคารเนี่ยกันเห็นเลขสาที่ไหนเนี่ยเลขเนี่ยสมมติว่าสามสามสามไปซื้อมารู้เลยคนคนนี้ยหนึ่งใจน้อนสองไม่ยอมแพ้แต่ตอนนี้กําลังแพ้หรือเปล่าก็มาดูไอ้เลขสาตอนเนี้ยมันเป็นอะไรอถ้าหากว่ามันเป็นสามสามสามปรากฏว่าอยู่บริวารไอ้ลุดน้องครับซุ้มมือปืนนะใช่ไหมถ้าสามแปดรู้เลยบอกว่าได้เลยว่าด้วยลบพิเศษเพรแปดมันเป็นเงา อ่าเป็นสายละใช่แต่สายรับที่มีกฎหมายคุ้มครองอ่าเด็กมีเส้นอ่ะอ่าใช่ไหมโอ้หลวงอ่ะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นเราจะได้รู้ไงแล้วเวลาเราเอาเบอร์โทรศัพท์มาเงี้ยอย่างเ้าเนี่ยเก้าสองเมื่อกี้มีการถามว่าทํำไมไม่สองสองเก้ามันต่างกันพักสองสองเก้าเนี่ยมันหมายถึงว่าเงินได้มาแล้วมันจะเป็นนี่เงินได้มาแล้วเป็นนี่พักเก้าสองสองเนี่ยมไม่ใช่ เป็นนี่แล้วคุได้มาคือเป็นนี่อยู่เรือเ่อยทั้งชีวิตมันเป็นนี่อเรื่อยทั้งชีวิตเมมันต้องหาตลอด น, น้ำแห้งหืดเลยเพราะน้ำรั่วและคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือ99เปอร์เซ็นเผู้หญิงเป็นอย่างนี้เพราะว่าจานเห็นไหมได้แก่เงินได้แก่ผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็าหากเขาเป็นผู้บาดใจเขาลูกศิษย์เป็ผู้หญิง99เปอร์เซต์เป็นแค่นั้นะ แล้วก็ไดพูดในเรื่องของขาอ่าวเที่อาจานที่ไปหาของขาา่าวว่าี่ของูรา น, นะสมัยนั้นของเจ้าคนนี้ของดีนะไม่ได้พูดในเรื่องในของผูราประตูเกี่ยะไนะแกสอง ส, งสงองครับใครแกสองสองนี่ส<ร>แสดงว่าเที่ยวชานเรื่องของผูราไปดูเรื่องอไรหนีป่ะรั้รงนีูต้องเข้าวะเข้าวะ เพราเก้าเนี่ยได้แก่สถานโบราณสถานเช่นวัดวัตถุโบราณตอนยี่ห้องละกายนี่วัดแล้วแต่ไอ้เก้าสองสอไม่ใช่หมายถึงเป็นอย่างนั้นตลอดมันหมายถึงวันณะขณะเวลานั้น <c oughs> มันทํางานยังไงไม่อ ย, าย่างไรนึกว่าเบอร์โทรศัพต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แต่ละมาไปก่อนเลยว่านิสัยต้องเ อ, งเอียงองไปทางศาถนาน <c oughs> และอะไรถูกไหมที่รเนี่ยที่สุดสำหรัเก้าสองสองหือสองสองเก้าเขคือความอ่อนไหว จะมีความอ่อนไหวง่ายน้ำสองชั้มนะ่ะ8ปสามสองสองสาหาลหนัหวน้ำกรดค่ะน้ำกดจยดลงน้ำอ่ะเท่สิเขจาใจไหมเท่าไหร่นะแปดแ ป, ดแปดโอ้อแ ป, แปสามโอ้โหคุณแปแปสามหนักก็่อีกแปดคนเดียวก็ <laughs> โยแล้ ว, วแป3แปดสามเขาโต้ที่ใช้คำว่าอินดีลงลึกมากแตกหักแตกหักเลยนะเนี่ย ขอโทษที่จะขอโทษแค่พูดตรงไดั้ยได้ครับไฮโกนี่แรงูง่มากคือถ้าบอกว่าเย็ดแล้วคือเย็ดเลยนะตายไป่ตายแบบนั้นคือเชื่อมั่นในตัวเองมากเพราะว่าสามเนี่ยทะลุทะลวงโดยไม่สนใจนะแล้วแปดเนี่ยมันเป็นลมราหูถ้าสองตัวคอนดนอุโยมดนะะแต่ครับห้าแปดนี่ต้องระวัง เพราะแปดห้าแปดแล้วคุณจะทำกับพระไม่ดีเหรอ ไ, ไม่ดีรับแเพราะอะไรไแปดห้าแปดเนี่ยถ้าคุณไปเจอพระแปดแปดใช่ไหมแปดแปลว่าความลึกล้ำห้าคุอพร ะ, พระหรือปัญญาหรือความรู้ก็แปดอีกไม่ว่าไม่บอกไหมคุณมีเป้าคุณอยู่ละตั้ปงป้าวไว้ละถ้าตรงป้าป้าคุณเสร็จเลยคือตรงใจเมื่อไหร่คุณเสร็จต้องระวังและมัดจัดจุดเช่นนั้น อะไรนะโอ้โหนี่คัดเกนไม่ต้องไปห่วงอะไรอีกเลยชีวิตชีวิตคุณอยู่ในความลุกชีวิตคุอยู่ในความพลุกหกนี่คือความสวยเจ้านี่บอกเลยหกนีความสวยงามอันนี้เราเรียนกันนี้เลยนะต่อถูได้หคือความสวยงามเข้าใจไหมหกแปดเนี่ยสวยแบบหลงไหลแต่ต้องเงิเงินเหมือนกัน เงินนุ่มกุลทำคุณจะมีความหลงไหลกับไอ้สิ่งที่คุณต้องประกอบเข้ามาหรือเปล่าการได้เงินทุ่งกุลคุณจะมีความอินอินอินกับสิ่งที่คุณจะได้หระอเปล่กมั้ยมันเหมือนเป็นชีวิตส่วนหนึ่งเลยอ่ะนี่คือกหอะไรขอคุแปดโอ้โหหนักขึ้นอีกเห็นไหมหกตัวเดียวพอว่าที่หกหแปดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคุณจะต้องอยู่กับการเงินต้องอยู่กับการเงินเลยและการเงินไม่ใช่การเงินแบบเป็นก้อนเลยการเงินกระจายกระจายที่คุณต้องรวมมันเข้ามาให้เป็นก้อน มเป็นลักษณะนี้ราักคุณจะอยู่ในตลาดการเงินชีวิตงคุณจะต้องอยู่ในตลาดการเงินหรือตลาดความสวยเพราะนัก้าเขาจะ็นธุรกิจต้องเปิดสถานไม่ใช่านเปิดสถานที่ทาให้สวยใช่เลยค่ะที่เปิดีเข้าตลาดันนเ่นี้ค่ะนันแหละแหนู้เบอร์นี้ดีแล้วใช่คะดีแล้วแต่ไม่ได้ดีตลอดมันจะดีเป็นช่วๆแล้วแต่ว่าจังหวะไหนจะเป็นยังไงมันบูนตลอด แต่ถ้าเราจะให้บูมตลาดต้องต้องแอดแกสมันตามเวลาโปรโมตตามเวลาอสมาอการเบอร์การเบอรนี่จะเป็นอย่างนี้แปเก้าสามามเก้าสามสามเนี่ยเหนี่ยไคุณเห็นไหมว่าคุณจะเอ่อสามสามสามนี่คือแอคชั่นคือการกระทํานะคือการกระทําการเอาชนะสามตัวเดียวนี่คือเอาชนะอแล้วถ้าสามสามนี่มันร้นเลยนะมันร้นนะมันต้องเอาให้ได้นะ ใช้สอเบอร์เนะี่ยค่ะตอนนี้เก้าสามสามเนี่ยเก้าแปลว่าโบราณเมื่อกี้พูดแล้ววัตถุโบราณความเชื่อโบราณถานปฏิบัตินะหรือวัดหรือวิชาโบราณคุณต้องมีฐานของคุณอยู่แล้วและคุณต้องเชื่อมั่นแบบสองชั้นนะล้นเลยเชื่อแบบล้นยังไงเชื่อแบบหัวปากหัวปากขอโทษนะครูครับมันก็ได้เนี่ยนี่คือลักษณะของเบอร์นะสองหงส์สองสองสองสองไปสองสีตัวสองตัว ฮะสองสามตัตโอโ้โหชีวิตคุณก็ต้องอยู่บนเงินตลอด <c oughs> แล้วเงินน้อนี่นะจ๊ะน้ําเนาี่ยกระปุกเดียวเนี่ยมันก็สั่นกระปุกเดียวนี่น้ำสามแก้วอ่ะเวลามันสั่นมันสั่นตลอดนะมันก็เทือนไปหมดเพราะฉะนั้นชีวิตต้องอยู่กั บ, บของสี่ตัวความความเดียวความความอ่อนไหวของระบบการเงินของคุณเอง เหนน้ำขึ้นน้ํำลงไหมครับขึ้นไม่ใช่ลงเฉพาะเรามันขึ้นลงมันขึ้นลงทีสามสเต็ปหมดก็หมดพัวเลยนะหมดก็หมดเลยนะขึ้นขึ้นพันบเลยอย่างแบบประเภทอเมซิงก์เหมือนกับจังกระโดดก้าวข้ามไปเลยแล้วก็บอกไม่ได้ว่าเพราะอะไรแล้วมันหายก็หายไปเลยเพราะนั้นความแน่นอนของัดลําบากมากเรื่องของสองเรื่องของสอ ง, สงดีรูกอัน ดีทุกอันไม่มีเลขอันไหนไม่ดีและดีมันอยู่ที่จะอาจถูกต้องเวลาเป็นตัวกําหนดที่รู้จักใช้เขาเขก็ได้หมดตลอดแต่ไม่รู้จักรักษาสภาวะตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่รักษาให้มันมีนานตรงนี้เราจึงมาฝึกอธิปิขณะที่เรายืดห้มนานที่สุดได้ไงมันสำคัญมีไม่สำคาญหรอกสำคัญรักษาความมีไว้ได้นานแค่ไหน บ้านเลขที่หรือโทรศัพท์มือถือบ้านเลขที่นี่สำคัญที่สุดกุที่สุดเพราะเปนที่ที่เราอยู่แต่ต้องบอกกันนะต้องบ้านที่เรานอนนะใช่ครับถ้ามีหลายบ้านเนี่ยบ้านตากอากาศอะไรเราก็จะบอกได้อีกว่าบ้านนี้คุณไปตีหยวนไปอยู่แล้วป่วยหรือเปล่าว่าไหนคุณพักมาไม่ต้องมาแอบเลยทักหนึ่งนาวมาแล้วนะเที่อเมริกาเป็นเรื่องเดียวที่ไม่เอาอีกเลยคือดูเรื่องภรรยาจะว่าสามีปัญญาชาวบ้านเคยเป็นดินไหวคันอยู่ เองแผ่นดินไหวบ่อยสามีหายไปอาจารย์ก็ห้ามมานักหนาบอกไม่ให้ดูเรื่องฝ่อเมียเนี่ยนะสามีเขาหายเราก็โอแผ่นดินไหวนะเราก็เป็นห่วงเหมือนกันหายไปเกือบระทิตและ้ะเราก็จะไม่ดูอบอกไม่ดูไม่น่าดู เ, ดเขาเิดตายไปก็ไปดูบอกคุณไปนเลยสิ้านาทีคุณจะเจอต้นปานสองต้นแล้วคุณก้าไปเลย เจอแน่นอนเจอจริง ๆ, ๆเขาอยู่กันไม่น้อยโอ้อน้อยบ้านแตกฉันนะไม่ใช่ใครันะมันโทรมันด่าทุกวานเปลี่ยนเบอร์มันก็ตามนาเจอความหับตเจยหายเขาจะไปทไหนมันจะโอ้โทรศัพทปบแตกมลันก็ไม่ดูเลยมันดูได้หมดอ่ะเยวแต่ปะเดที่ผมว่ามันมันมันเปียอ่ะานี่แสดงว่าเรียนรู้เรื่องตัเลขถามว่ามีผลไหมไม่ต้องเปลี่ยนเพิ่มคาเพิ่ม คี่ขับความหมายคำว่าเพิ่มเติมคอนโเนี่ยคืออย่างของบ้านอยู่หนึ่งองหนครับผมเนี่ยหนูเติมเลขแปดสองตัวอยู่ข้างบนเติมเอาไปแตะเองเอาไปแตะเองว่ามีผลไหมมี่ก็เมื่อถ้เราบ้านเรามีสามชั้นเราเติมอีกชั้นมีผลไหมล่ะมีก็เมื่อคุณเติมเลขแต่ถามว่าเลขที่คุณเติมขนะที่เติมเนี่ยคุณไม่ถูกจะไม่พูดถึงขนาดที่คุณเติมเวลาอืตอนนั้นก่อนเหมือนกะเด็กคลอดจำไว้นะฮะ ที่เราเริ่มกลักรําสีนั่นคืเหตุละต่อมาคือผลแต่ผลของมันจะเปลี่ยนไปตามสภาวะของเวลาต่อเนื่องนั้นแต่ตอนที่คุณเริ่มเกิดตรงนี้เนี่ยเกิดตรงนี้ในวงังเกิดตรงนี้นอกวงังมีรั้วกันต่างกันไหมเด็กเกิดเนี่ยต่งเนี้ยอ่ะนั่นแหละตอนที่เราเกิดเนี่ยเราพั๊กไปเนี่ยมันเป็นเวลาของอะไรถ้าหนึ่งวิเราพลากมาตรงนี้เราก็หลุดนอกวงังแต่ตรงนี้มันในวงัง แค่นี้แะ่ะเพราะนั้นเวลาที่กําหนิดตรงเนี้ยสาคัญแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราเกิดมานะ่ะเราเกิดมาเราก็ปรับให้เราเปลี่ยนได้คงเกิดมาจนก็รวยได้ที่นี่หมายว่าสมมติว่าในกรณีที่เราหาเจออะไรก็ตามเนี่ยเอามันก็จะเป็นส่วนคุณของเราว่าอูเล่นนี้จะดีในเวลาไหนแล้วเราถูกต้องใช่แต่เวลาที่เราวางเข้าไปน่ะสําคัญที่สุดก่อนเหมือนเราเลือกจะไปแปะใช่เราต้องหมูเหมือนโวกโปรโมทสินค้าน่ะ ให้คนรู้จักอ่ะนี้เราเปลี่ยนดวงบ้านอ่ะเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้จริงๆแต่ว่าเปลี่ยนได้กี่วันอ่ะเปลี่ยนได้กี่วันอ่ะถ้าคุณเปลี่ยนตรงช่วงดาวสาวก็สองปีครึ่งยะดีไปสองปีครึ่งอย่างเงี้ยอ่านึกออกม่้ยพอช่วงดาวสาวที่ดีเท่าไหร่เป็นช่วงดาวสาวดาวสาวมาสองปีครึ่งลาหูมาสองปีอ่าแต่พระฤหัียี่สิบสี่ปีนะ้นก็นี่ไงก็นี่แต่นี่ถามว่าเรารู้จริงหรือเปล่าตอนนั้นอ่ะถ้าเรารู้จริงเรารู้เวลาของมัน ว่าพละขนาดขนาดที่เปลี่ยนการเบิกพระสัญลักิณ์อีนี้เขาก็โจมต้นอีกนี่โจมต้อนดีกว่าเลยเจอแบบประเภทโจรร้นดีกว่าขลอนกญาตครับอาจารย์เว่าบ้านเราเนี่ยเราเลขที่บ้านเนี่ยมันไม่ตรงกับที่เราติดป้ายไว้หน้าบ้านเนี่ยจะมีปนหเพราะบ้านผมเลขที่หกสิกับหกเข้ามาแต่เราเนี่ยเป็นเจ้า6กบหใช่ไหมหน้าหน้าประตูใหญ่อั่นี้ติดว่าทับหกเพราะมันดีหรืออะไรบ้านมันจริงจริอยู่เลย ได้งไหมครับแต่ที่ที่หน้าบ้าไม่ติดตัวเลขอะไรขึ้นนะติดเฉพาะประตูปมาตูทาเข้าเท่านั<ต>้นแ่ไม่แค่เลข66จะส่งอะวรกับผมส่งเลยส่งเล ย, สเลยแสดงว่าต้องมีใครบอกอะไสักอย่างไหมเอาไเลข6หลังออกหรือเปล่าเปาเลยครับโอ้โหคืออย่างนี้คุณโอมตรงนั้นแหละคือ6ในเรื่งเงินนายโยมสะสมไม่ผิดนะเก็บเงินไม่หยุดคือเขาให้มาความสมบูรณของชีวิตมันให้มาแล้วรเราไม่เราพิจารณาเอง แลเราเนี่ยเราไปตรมหกครับผมก้อยมันมันเป็นมันเป็นมันเดิมเหมือนแขนขาพ่อเงินแล้วอยู่ดีๆนั่งขัดตม่าทั้งชาติไม่ยอมเดินอย่างเงี้ยอืนั่งวินแช่น่ะมันไม่พิการก็เหมือนพิการอ่ะคุณมีเงินก็เก็บไม่ได้คุณมีเงินก็หมดเก็บมาก็ใช้ไม่คือมันไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันอ่ะคือเขาเนี่ยหกโอ้เงินน่ะได้ว่าหกก็เงินหกก็เงินหกก็เงินไม่มีตัวไหนที่เสียเลยถึงมันจะเป็นฝุ่นเพราะยันดี เราเอาการใส่เข้าไปก็เป็นเงินละตอนนี้มันมันไม่ครบไงนึกออกไหมมันไม่ครบในตัวของมาั น, านนี้เร า, าเรียนกันเราเรียนถึงแล้วว่าไหนคนมีเร า, รายแล้วเราแล้วเราก็หมายคำว่าเวลาเรียนทางตัวเรื่องเนี่ยสิ่สงสำคัญของชีวิตเราอ่ะเราต้องไปเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับสมองของเราออิเจนบริโภคสารปาปลาเรซีด้วยใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณมีอย่างเงี้ยก็ใช้ไป แต่คุณรู้ว่าเลขแต่ละตัวที่คุณมีมันจะทํางานเมื่อไหร่ตอนไหนและเรื่องอะไรสอบผลเราไม่สามารถเปลี่ยนกุ๊งเปลือนเราได้ถึงคุณไปเอามาใหม่มันก็มีทันทีทั้งลาอยู่ดีแต่คุณไม่รู้ว่ามันจะแสดงผลเมื่อไหร่คือเรื่องอะไรเนี่ยเติ้ราไม่ต้องทําอะไรเลยอะไรเจ้าอะไรของต้องเติมกับของเ้าไม่สมบูรณ์ตัวปลาไปก่อนของเขาเนี่ย ของเดิมมันเป็นยังไงก็ทําให้มันเหมือนเดิมสิใส่ให้ครบอย่างตัวเลขนะเอ็งอ่ะตัวเลขโทรศัพท์ยกตัวอย่างตัวเลขโทรศัพท์คุณเนี่ยมีทั้งไอ้ไอ้เลขทั้งหมดมีกี่ตัวกับหรือสิบตัวให้อเลยคุณนั่งจะ้าดเข้าไปแค่แปดเก้าตัวติดไหมเออจบประนั้นแหะคุก็ต้องไปใส่ให้มันเต็มอย่างที่เขาให้มันสิไม่ใส่เลยแต่วันแรกมันเป็นทางการนะเอ็งอ่ะมันเป็นทางการเราไม่ได้สร้างขึ้นเองเช่ใช่เปล่าไหม ไอ้เบอร์โทรศัพท์เราเลือกขึ้นเองยังเพอว่าและพอเปลี่ยนได้แต่ไม่มากแต่บ้านเลขที่นั้มันอยู่อาศัยน่ะนั่นหมายถึงตัวเลขของชีวิตเราทั้งชีวิตเพราะนั้นชีวิตของคุณน่ะจะเหมือนเป็นกับคานกระโดดไอเด็กเล่นคากระดกเดียวพื้นเดียวลงเดียวเอาแน่นอนไม่ได้ทั้งๆ้ที่มันน่าควรที่จะแน่นอนได้เราก็บอกตัวเองไม่ได้ทาไมทํำไมมันเฟลมันไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวอีกเพราะทิษเนี่ยมันฟิก แต่ไอสิ <my BROWN refreshed>. ่งปรากฏการณ์เนี่ยมันจะเกิดซ้ำซากอยู่งั้นตลอดเพราะว่าเราไปเห็นว่าในกรูมอ่มันจะฟิกของมันอยู่เลยและที่สําคัญที่สุดคือดาวหกมันไม่แปรตัวเลขอื่นจะไม่ขึ้นผงเลยหกที่ไม่มีการแปรเปลี่ยนนะเป็น24ชั่วโมงเป็นเป็นหลักของเลขทั้งหลายไม่ต้องอะลายเราไอที่มัน4สัตวไกรเลขไอหกหกหกอะไรกันขนาดนี้ยังมีปัญหาเลยยังมีปัญหานะทุกวันเนี้ยไะบอกพายไม่มี ไอ้ไอ้ตัวมีดิสเตอร์ที่เป็นเลขหกหกนะเขาปาเอาเลยนะที่มันจ็เลยไม่ได้เทุกประเทศที่กัดหรือชนะลิกนะแต่ที่ต้องดูวันติดด้วยดูเรื่องวันติดด้วยดีดีทำให้คุณมีฐานคุณไปทาไปที่ไหนว่กคุณไปแก้านายครับแต่ทุกนะเจ้านายที่แก้ความทุกข์พราสาวเป็กกระดาวทุกกระทษเป็นนายเขาเพราะทความทุกข์เขาก็จัง อย่า่ไม่จริงขอโทษสัญชาตคำว่าใหญ่ไม่จริงจางไปหนีไว้เพราะอะไรรู้ไหมเมื่ อ, อไหรที่มีทัพสร้างไม่เต็มพี่ก็เหมือนกันกกอำ น, นาจทางการเกรนันไม่เต็มร้อย ก็ต้องมีวันติไปครับไม่ใคือเราเกิดปยังไงก็เป็นอย่างนั้นางมันสิแต่เราทายังไงให้มันดีอย่างที่เราต้องการก็แล้วกันล่เออแทำไมเขาใช้บ่อยเพราะมันเป็นอย่างันมันทักเพราะหนึ่งปัหาอะก็ไดมันตเป็นอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งมันอยู่กระเจนไงไ่ไม่คู่ห้าหนไฟอยู่ในตาวไฟอยู่บนดินนี่ชัดเจนทับหนึ่งได้ไงับึง็ไในดาวเพราะฉะนั้นก็ืนได้ไงคนใช้นะรู้คน ได้เราเกิดมาเพื่อเป็นแค่นั้นแต่เราจะใหญ่กว่านั้นก็ไม่ได้เพราะโดนทับไปแล้วเพราะที่เรียทับทับก็แปลว่ร้องเนี่ยทับก็แปลวร้องเพราะฉะนั้นเนของผมเนี่ผมไม่ติดใหม่เลยีได้ไหมหัวผมทับได้ฮะได้เห็นควรด้วยแต่ดูให้ดีว่า ต้องให้ท่านคอมเมนต์วางว่ามาเป็นสีทีเลยนะีสีสีรูยอย่างเดียวยังไม่สนเขารวยไหม่อนนนถูกต้องอ่ะยังคืักเตะเต็ดเต็ว่าการคือเายาวสุขหรว่าาการเงินจวคนจะแอบใส่เงินรวยด้วยไหมคะแน่นอนคนอยู่ในวังอ่ะ ยังไงก็เป็นคนในวังเออเขาก็เรียกคนหวักไม่เห็นได้รู้เทสียายไปอยู่แล้มีทางที่ทนี่เขาเนี่ยคุณคุณจะเห็นการเปล่งแปลงแม้กระทั่งต้นไม้ใหญ่กาทุกวันนี้คิดดูอะดอกไม้ในบ้านคุณออกมาเขาหงิมันออกมาไม่เต็มนอนมันจะกินปลายดอกมันจะออกมาแค่นี้แล้วก็เป็นคล้ายๆนอนกินมันบาลไม่ไม่เต็มอ่ะ ก็ไม่้โเนียออไปมาแล้วอ้คือคือต้นไม้มันโตไม่เต็มมันจะข้อปันจะหิบอะไรสักอย่างมันนี่ยเพราะว่าความสวยงามมันออกไม่เต็มไม่เต็มที่ชีวิตคุณทำไมมันควรจะดีกว่านี้เป็นร้อยๆ้อยเทมันน่าจะแต่มันมันทำอะไรไม่รู้ันติดอยู่ไปโทษเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่เราเองแสนหกองแลยวาติดตัวเราเองะชุ่ดีแล้วแต่ไม่ใส่ดออกจะรู้ไม่หน่งองหน่งพันหหรอท่านบ้านใหญ่เลยใหหนึ่งองหนึ่งศู หกสีหนึ่งสองหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งไม่เปามนยพูดได้เหรอสามันอนาใหพูดช่ไหจไปว่าแม่จันปว่าแม่ถึงจันแปดวงจันนะอาทิตย์เก็เลขหนึ่งนะจันกับอาทิตย์เจอกันเป็นาหนึ่งสองหน่ะหนึ่งสองหนึ่งเพราะฉะนั้นทับไปนะ มาโชคยังโชคดีที่มีนะก็คือว่าบ้านี้มีปัญหาคไม่ได้อยู่อืมคนยานบ้านก็คือมีปัญหามันเป็นพ่าดพลาด้ลหูแล้วก็เป็นกระกิ่งีก็ก็คือเออก็คืออ่าพราทิตย์เคยเห็นพระจันทร์ดาวพระอาทิา<ล>ตย์ไหมครับโตไม่แน้หรอกโตลาบากแล้วมันก็เป็นปัญหาอย่ว่ามันนบ คือบางอย่างมันคือมันพูดแล้วมันก็นะไม่เป็นไรค่ะดูตีนึงอยู่บ้านใช่ไหมก็อยู่บ้านเลยเนี่ยก็ไม่รู้ก็มันเป็นคลาดอ่ะยิ่อยู่ไม่กี่บ้านเลยเนี่ยก็ไม่รู้มันเมืดมันมืดอ่ะถามว่าบ้านนั้นทําเงินไหมมันดูเหมือนจะทําเงินแต่มันคลาดมันมันไม่สมบูรณ์อันไหนแล้วก็ตอมเลขได้ไหมค่ะคือวัน ได้เลยไม่ย้ายก็อย่างงั้นแหละแต่ว่าเราต้องแต่งมันแตต้องแจ่งมันมีอยู่แล้วแต่คุณจะเลือกทําเลือกเรคุณต้องเลือกเราละค่ะเลือกว่าไงเรื่องว่าจะขายทั่ไไม่รู้ต้องเลือกว่าคุณจะอยู่บ้านไหนฮัลโหลเอาวันะคุณจะเลือกว่าอยู่บ้านไหนถ้าคุณอยู่บ้านนั้นคุณก็ต้องวาเลนใหม่ก็ต้องเริ่มกันใหม่ไปขอเลขที่บ้านใหม่ ก็ทานั่นเองจบแก้ง่ายๆอธิบายไม่อธิบายแน่ใดจริงๆหมายเลที่บ้านใหม่บางอย่างรู้ก็ไม่ได้เป็นนภู51ทับสามครับผมใช่นะายเขที่51ทับสาม51รับ51เห็นไหมว่าเมื่อกี้เรียนคู่นี้ไปแล้วใช่ไห้คู่ีนตอนเช้าตัับสามนี่เป็นกับคู่51ทับสามในบ้านนี้ขยันบ้านนี้ขยันแต่เนื่องจากว่าสามเนี่ยเป็นดาวทุกขโทษโทับ ความขยันนั่นคุณนะขยันให้คนอื่นไม่ไม่ขยันให้ตัวคุณหรอกเพราะนั้นทำให้คนอื่นรวยได้แต่ตัวเองอาจจะลาบากหน่อยคนละอันนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันี้ก็เงาหมืดนี่ราหูนี่ดาวจันลาหูอีกมาครับมืดไหมมืดดาวจันครับราหูความมืดนั้นหายไป่คนละเรื่องนะจันถึงราหูลาหูถึงจันเขาอยากจันถึงราหูสู่นิยมเป็นอุดมโชคใหญ่ในชะตาความมืดนั้น อพู่ว <ไป S 1> ่าแสงสว่มามาเป็นนั้นหายไปจึงเป็นอุโรมโชคใหญ่เห็นไหมอย่างนี่แต่ถ้าหากว่า<ๆ>เาจันอยู่งี้เลาหูก็ามาคือมีเงินอยู่อวิชาเข้ามามืดบมนหมดนี่ไงเพราะนั้นไม่อยากจันถึงเราเล่าหู ก, กับจันอยู่ด้วยกันแล้วจะดีต้องถามว่าอะไรถึงทันไรเพราะในความละเอียดอ่อดตรงนี้จะต้องรู้จริง อืมผมกนี้วแล้อนี้มาลยผมเปี่ยนลจะายคอนให้หมดเธอกรับพ้การห้อลมัเปี่ยนที่บ้านดีไม่งั้นมันจะว่าร้อนก็ไม่ใช่จะเย็นก็ไม่ใช่แต่บ้านนี้ไม่สมบูรณ์แน่นอนตีมีปัญหาผมผมตีความของผมเองนะแต่ผมจะลองดูว่าตีความถูกกว่าเบอร์โทรศัพท์ของผมนี่เบอร์นึมันลงทะเบียนสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองเนี่ยผมดูแล้วว่าเป็นถ้าจะตีความข้างตัวเองก็เป็นเงินแล้วก็ควาอุดมสมบูรณ์แล้วเป็นเงิน สองเจ็ดสองไม่ใช่ลแล้วแล้วที่ก้อนอย่างนั้นเนี่ยอาจจะได้เข้าข้างตัวเอ ง, เองไม่ใช่คืออย่างนี้พระจารย์ตกดินไม่มีนี่แต่พระทีต่ตกดินพระจารย์ต้องตกน้ำถึงจะสวยตอนนี้เนี่ยยังไม่สอนกำลังจะสอนเรื่องเกษตรเกษตรเราว่าสมบูรณ์รนะถ้าจารย์อยู่กับเสาเขาเรียกว่าอาจารย์มันเป็นปรา ไปปะระไปว่าไม่สมบูรณ์ที่เรียกว่าปะละโลกอ่ะอันะไรเงี้ยปะละไม่สมบูรณ์เพราะหน้าจานอันนี้ไม่สมบูรณ์หลคุณเนี่ยก็มีนี่เพราะว่าเจ็บเนี่ยเคี้ยจานเนี่ยมันเป็นเงินคุณทำเท่าไหร่ไม่พ้นนี่อันเบอเนี่ยเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลย ไปเอาคุณจะมีสักเท่าไหร่คุณก็เป็นนี่แต่คุณทำมัหรือหมดนี้ได้แต่ตัวคุณเองยิ่งทำเท่าไหร่นี่ยิ่งใหญ่ขึ้นดูเหมือนจะได้จต่กลายเป็นนี้เพราะฉะนั้นรวมท่านเบอร์บ้างก็จะพูดว่าทำเท่าไหร่ทําให้คนอื่นแทนเบอร์เรากลับมาเป็นอย่างนี้อีกได้อันนี้คุณเปลี่ยนนี่ไงชีวิตมันเปลี่ยนได้แล้วสังเกตไหมว่าเบอร์โทรศัพท์เราเนี่ยเบอร์ไหนที่มันโทร ไอ้เรื่องไม่ดีมันก็จะโทรในเบอร์นั้นนะเอาเคยทั้งเกตไหมลองทายมีเบอร์โทรศัพท์ได้นะไอ้บริษัทเนี่ยสิบเครื่องเนี่ยมาได้เลยเพราะจะเสียงกรี๊ดโทรัวนี้มันจะต้องเป็นเบอร์นี้อโทรมาเรื่องดีต้องเบอร์นี้ลองทั้งเกตดูสิมันเป็นเรื่องประหลาดมากไอ้เรื่องเนี้ยอย่างเราเจอในโชคดีนะที่เปเบิดโทรศัพท์เบียนด้าถ้ามิฉะนั้นเนี่ยทำเท่าไหร่ให้ก็ารวยหมดแหละเราไม่แต่เป็นนี่เพระสองเนี่ยนะสาวเปเรื่องดีสินสองเปนเรื่องการเงินใช่ปะ ตอนแรกก็สองใช่ไหมสองตอนแ้กก็ได้เงนินล่ะมาไปหนี่ต่อมาทำต่อก็ตัวเราก็ถือสรุปทำใช่นี่าาาสอ ง, สอ ง, งนนไม่ได้ยิงเราสือสครับหกสือสองอันนี้นะคิดใหญ่แต่ไปไม่ถึงได้ไหมอีกเรื่องคือสูนี่มันอินฟินิตี้เข้าใจไหมแต่พูดถึงว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือสิ่งที่อยู่ในความฝัน <aton. S 2> เงินนั้นนะมันอยู่ในความฝันของเราแต่มาถึงเราเราไม่จับเองเพราะฉะนั้นเราพลาดไปเยอะ เขาเขาเอาเอาใช่ไหวางไปเยอะใช่ไหมไปเอาตอนนี้ไงตอนนี้ไงมันอินฟินิตี้ไงเงินประเภทเงินมาแต่ไม่เอาอ่ะเออใช่ป่ะล่ะไอไอเล็กน่งสนงเก็บ่มงไปู้ไ้อต้องต้องแก้ไม่ต้องแก้ก็ก็ที่คือใจใหญ่เขาเขาต้องใช้มาตลอดนี่คือคุณไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนเลยตรงนี้ถ้าคุณไปขอมาใหม่ถ้าหากว่าเรายอมรับสภาพนี้ดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องเปลี่ยน แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ดีสําหรับเราก็มีตรงไหนเสียเนี่ยมันไม่ได้เสียอะไรแต่อย่างนั้นน่ะควรจากคุณทุกคนต้องทําเลยเลขดีแต่ไม่ไหลมันก็คือไม่คุณไปเล่าใครฟังไม่มีใครเชื่อครับชีวิตเราชีวิตของคุณเลกันอะไรับไม่มีใครเชื่อแต่มันเป็นเช่นั้นเรารู้ตัวเราเองก็อย่างนี้มืดมืดมืดมืด ไไรกอที่มันแต่ไม่เินกเนมาไว้ไไว้ก็มันก็จะไม่พลาดจากมือไปอีกเพราะเราตัดทินใจได้ดีเพราะทุกครั้งทิ้งอนเนี่ยคุณจะมีเงินมากมายมหาโดยไม่ต้องทาอะไรเลยอะพูดตรงๆแต่คุณอีกนอมันเองปฏิเสธมันเองอะไรนะอะไรนะไมรับมอกไรอกไม่หกมีหรอก่อหไออมอหมอมร รับมาจากการปฏิบัติคุณจะเข้าใจไอ้พวกอย่างเงี้ยได้เร็วนีอาจารั์ขอเบอร์นี่ใหญ่ครับเที่โรงงานสามสองแปขอเห็นไหมดีนะดีดีมากเลยดีสามสองแปนั่นดีเห็นไหมนี่อาจาร์นี่ลาหูโอ้าแล้แปอีกแดดหัว่ะหนักมากงานคุณไม่ใช่เบาเนื่องจากว่าไอ้สามเนี่ยเป็นน้ำกัด ไอ้จางเน่ยมารคีมเาจกรึปลาเพรางนั้นเนี่ยถามว่าคุณมีความสุขตรงมันมั้ยลึกเลยนะลึกเลยนะถามต้องเงินได้ไหมได้ไม่ได้ไมมีปะญหอพอเข้าใจต้องขยันดับเบิลทริเปิลเลยแหละแตถามว่าดีหเยี่ยบเี่ยถามว่ามันมีอนาคตไหมเนื่อยมากนะแต่คุจะได้หรือไดีว่าเงินนองคุณกาได้นะแต่ปกเต การันตีจะได้ใช้เอาก็จไหมเขาบ้เหรอ่นี้ไม่ได้การันตีว่าจะได้ใช้เพราะน้ำน้นตะกูน้ากวดประโยชน์ไปแล้วแล้วมันด้กินยังไงเคลื่นเค่อลยเขาจ่อ่ะคึอไม่การันตีว่าคุณจะได้ใช้ผมไม่รู้แต่ไม่ใช่แก้ที่แก้ยางไงก็่าถามว่ามันคืออะไรม้วก็บอกไปอย่างนี้ใช่ไหมเออ เนี่ยถ้ า, ถาคุณเรียนรู้คุณนี้ต้องแสดงกับพีิหารหน่อยเพราะมันถูกกําหนดไว้แล้ว<ช>แต่ไม่ได้อย่างนี้ตลอดเราก็จะมีช่วงที่แรงได้เออเราก็ดูดิจังหวะไหนด า, ามันยังไงก็หยิบมาแต่คุณไม่รู้ช่วงก็เลยหลุดไปหมดอ่ะ<ม>ก็ทำทำให้เขารวยหลังมันเถอะหน้า ส, สามก็ดีแล้วนี่จริงจริงแล้วคุณคุณแอคติฟจริงแต่ว่ามันเป็นแอคติแบบผู้ใหญ่นะตัวเล็กแต่จะแต่ใจเนี่ยจะเป็นแบบผู้ใหญ่เพราะว่ระหลาดเนี่ยเป็นเรื่องผู้ใหญ่ เป็นคนช่องหาข้อมูลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านทางด้านของความรู้วิชาการถ้าใครติดทัดอะไรไม่รู้มาถามคุณ่คุณจะแวฉหามาให้จนได้หมดระยะไกลเกินไม่เล่นสองสี่เจ้าเบอร์โทรสองสี่หกสองสี่หกได้ถือว่าดีมากนะสองสอาสี่หกได้ถือดีมากไม่ใช่เบอร์คุณมั้ง นั่นไงเพราะจ่นยอยู่แล้นแล้อกนี่อ่ะรับาลว่าไม่คเปลี่ยน602ไม่ควรเปลี่ยนเพราะว่ามันผิดคิตไซคุณ่ยเพราะว่า602น่ะมันคุณมันมันมาถึงคุแต่คุณไม่เอาเองถ้าคุณเปลี่ยนเนี่ยคุณรับรับนิสัยใหม่คุณได้แล้วสมมติถ้าผมจะรับล่ะก็ได้เลย แต่คุณที่แมบอกก่อนตอนแรงมันต้องนสัยของคุณนะใช่ไแต่อันนั้นอ่ะแฟนคุณพี่เอาภาษีเบอรเลยนะคืออันนั้นอ่ะเมื่อกี้อกสิบสองเนี่ยไม่ใช่ของคุณหกสสองของข้าสองสองสี่หสองสี่กใช่ไหมสองได้อยู่อ่ะเห็ไหมหกสี่อ่ะี่ยนคูทาเงินสองเงินทำไมีนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกเอาภาษเบอร์ไง คือมันตรงข้ามกันเลยอ่ะมันนักคนนั้นน่าจะไปกุณคุกันึกเจ้าหมมันเป็นอย่างนี้เลยจมองคนละมุมเลยแหล ะ, ะคุณปฏสธเนี่ไงมองกคนละมุมเลยเนี่ยแค่เบอร์โทรศัพท์เราก็จะรู้อย่างนี้แหละและอย่างนี้เขาสลับเบอร์กใช่คะโอเคในนีน้ก่ดีไม่ได้ไม่ได้ดีเพราะว่าเขาสันเบอร์กนชคุณมันต้องแกไขายอยุจรหมดนะใช่ไหมมันไม่ใช่คนสคนนี่ ใช้แต่ตอนยามสิจับยาดมาดูบริเวณนี้จะได้เธอจับเนี่ยเนี่ยเนี่ยรู้ไหมว่าแก้อะไรก็แกได้ไอ้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันบอกถึงแอนติจูดของคนนะมันจะบอกเลยเรื่องเบอร์โทรศัพท์จะบอกแอนิจูดทุกคนเลยเพราะฉะนั้นไว่นานเราจะโทรไปหาใครเราดูเบอร์เขาก่อนว่าเรื่องที่เราจะโทรไปเขาเห็ดหรือไม่เอาไว้ดูตรงนี้เมื่อโทรโทนี่คนน่ะบ่าคุณมาทวงอะไรเขาผมว่า เจ๊นะเอาของมาเขามาสิบล้านพี่ไมาถูกเลยเขา้เรากลุ่นแค่สองล้านสอ่ยางี้านคนาะ สามหกมันอยู่กันก่อนศูนยามดีแต่ว่าเนื่องจากว่าการเขาเรียกว่าทะยันปรับจำนวนเงินที่ไม่จํากัดอ้าวเพราะสามแอติดกันมาหกมันก็เงินใช่ไหมศูนย์เป็นอินฟินฟิตี้เขาเลยมีความฝันที่ไม่มีขอบเขตที่ไม่มีขอบเขตจงกัด น, นี่เราแปลตามตัวเลยนะเพราะูนย์เป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมแล้วเก้าศูนย์หกเก้าเก้าศูนย์ใช่มเก้าในงานมีขีดกัน เก้าศูนหกเก้าได้แก่อะไรสิ่งเก่าของโบราณใช่ไหมศาสนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของการเงินจะมีตัวศาสนาเข้ามาเป็นตัวตัดสินใจหรือตัวไอ้อะไรความเชื่อโบราณอะไรก็แล้วแต่ที่มาเป็นตัวตัดสินใจหรือข้อมูลเก่าเขาเลยเก้าไหมต้องมีพื้นฐานข้อมูลเดิมถ้าเป็นนหุ้นก็จะมีประวัติการรุ่นว่า การผลประกอบกิจการเ็นไงเป็นตัวมาให้ตัดสินใจไม่ตัดสินใจทันทีที่จะเอาเงินอันนั้นถ้าครับตัวักก็ได้แต่ว่ามันจะกลายเป็นคนบ้าสมบัติไบต้องม่ถือเอาบ้างคุณจะคูยคุคุเรื่องเงินอย่างเดียวมันก็ึ้งนะบ้านหหกมีโหะมีรลาดเขาไม่ได้หกหกหกหกครับ ต้องมีรับผเพราะมันข hmm. ้งอยู่ไงโอ้โหโนคือเขาได้ผลหน้าเงินรู <ke ้บอกว่าอะไรก็กรายเงินคุยเรื่องเงินไม่เอาใจกระจาเงินอย่างเดียวคุยเรื่องเงินนี่โอ้คนก็รากัน่ะอะไรกับเพื่อนกขาจะผลประโยชน์เขากระาอะไรเป็นผลประโยชน์หมดไม่มีฟรีแล้วใครกขจะคบด้วยอนี่มีแต่ใ้กับีแต่มันก็อย่างที่บอกอ่ะมันแก้ไขได้นั่มันแก้ไขได้ไงแต่ว่ามันถูกกาหนดเบอร์โทรศัพท์บอกคุ a t t d พอเราจะโทรไปเราจะบอกเร้่องอารมณ์ความรู้สึกตังขณะนั้นรู้เลยว่าไปโทรหาเพื่อนจะมีต่างไม่มีตาม่างเพราะฉะนั้นมเราจะไม่เสียแล้วเราก็ไม่เสียเพื่อนด้วยถ้าเราเนี่ยเพื่อนโทรมาหาเราเราจะรู้เลยว่าเงินให้ยืมหรือคืนไหมขอลืมหรือขอยืม เนี่ยเราจะรู้เลยอ่อย่างเงี้ยเปนต้นของ่อโทรอไมู่หาเป็นต้นน่า่ใช่ไหมันากตัดขาดคามยั่งยืนันี้ดีนะคะถึงแมหพี่เล็กโทราตอนเที่ยงซึ่งเป็นการสมมตินะคะถ้าเป็นการจะมีเบอร์พี่เล็กมาละท่านี้ก็คือเบอร์พี่เล็นูจะไมรับไม่ใช่ใช่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเนี่ยเราก็รับรู้ค่ะแล้วเรื่องนั้นจะต้องไม่ดีค่ะเราจะรับเรารู้อยู่แล้วเราเราก็ ปล่อยให้มันดังไปจนกระทั่งเขาวางหูไปเองไม่เสียแต่ถ้าเขาเสียปั๊บเราต้องรับผิดชอบในการรับรู้เขาด้วยนะไม่น้อยก็มาอ่ะนี่ไงตรงเนี้ยเก้าสิเซ็นต์จเป็นเช่นนั้น<ม>บางทีเราบอกโอเราไม่รับเขาเลยดีกว่าใช่ไหมเพราะเราจะรู้เลยว่า ส, สถานภาพเขาขณะนั้นเป็นอย่างไรรู้เลยฮะบางทีเนี่เราเราอ่านจากไอ้ตัวเนี้ยดูตามหูปั๊บเฮ้ยเรื่องนั้นยู่ไม่ต้องห่วงเลยนะ ทีอยู่ในใจนะที่ตอนเนี้แม่การดูอะไรเงี้ยไม่ต้องไปพวงเดี๋ยวเนี่ยมันได้แก้ไขเงี้ยเขารู้ได้ไงเนี่ยก็เรารู้ตามภูมิตามให้ผาสุตลู้มันจะบอกเลยฮะว่าเป็นยังไงยังไงยังไงเพราะว่าเราขับรถตามคนอ่ะตามรถคันหน้าเราก็รู้แล้วเอาภูมิมาตั้งก็รู้คนนี้เป็นยังไงเมื่อไม่สมบรัูษะแล้วก็ไม่มาถามทะเรียนรถอีกนะ สี่ดาวหกจะไม่จบเลยทะเบียนรถนี่ก็นับสามตัวหลังเหมือนกันไหมคะอ่าทะเบียนรถเนี่ยไม่ใหญ่ทะเบียนรถนี่มันต้องเรียนไปอีกถึงเรื่องอักษรเขาได้อักขระาสตร์ทนสอนไปเรืปีเนี้อักขระศารต้องมีอีกในภูมิอะขละศาสตรมันจะมีอีกเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเขาไม่ได้นับตัวเลขแล้วเขาจะจะนับเป็นหมวดเห็นไหมต้องมาประกอบประกอบแล้วต้องเอาหมวดมาประกอบด้วยเพราะนี่เหมืนก่อนเนี่ย แต่ก่อนมันใช้ตะเบยียนยาวแต่เดี๋ยวนี้มันใช้ตัวหมวดเป็นหลักแล้วก็ต้องว่ากันไปตามขอใครก็คือว่าคือรถติดไฟแดงเลขหน้าเรารูล้ละเลขไม่ดีมีสิแน่ข้างหลังชนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่แต่เราก็นี้ไม่ได้ฮะถ้ารถมันล็อกหนไม่ใช่เพราะเราไม่ไปออกจากบ้านสักกระดับ เพราะเรารู้วนะันนั้นเราจะรรถเราจะมีอุปเที่ยงฉันไม่คือไม่ไออกก็จะแต่แรกแล้วเพราะเราไม่จ้เป็นปรอที่ <c oughs> ติดไปแดงจองมาทำไมเดาแกงานคอนเฟิร์มก็มีทุกทุกทุกสี่ทุกเป๊แล้ว่าเรื่องออกวันวันนี้แค่เ่ออะไรเรียกแต่ี้่ต้องเหมือแนแหละห <c oughs> ต้อะเียดมากขึ้นใชนะ่แต่อยากให้ทำในตัวทําตัวขนาดระจับไปไหนไม่ได้เลยสิเป็นนาที เดี๋ยวได้แค่หยุดคนแบบนี้ย า, <S <S ยาไม่ดียังคิดีนี่ยา <S 1> <S 1> ไม่ดีมีบ่อยเลยนะวิ่งเข้าห้องน้ำทุกตื่นาเชียวเกินไปนะเพราอยาไม่ดีสักทีมันก็เลยถามว่าเราเป็นอะไรเพราะฉะนั้นบางอย่างเนี่ยให้มันอยู่ในเกณฑ์พอดีบ้างเพราะบางคนเรียนไปเนี่ยมันก็ใช้เกินมันเกินไปใช้ในเรื่องสําคัญเถอะพระเจ้าจะบอกเรียนรู้แม่เพียงบางส่วนเป็นรู้แม่ทั้งหมดเรียนรู้เรียนรู้ให้รู้ แต่ไม่ใช่จนกระทั่งขยับไม่ได้ไม่ใช่ถ้าจะทำสิ่งที่เป็นมงคลทำเลยไม่ต้องรองอืมเพ่านี่เอาสี่ได้หกก็ดีดิใช่พูดท่าที่ไงอารปฏิบัติไปแล้วสี่กับ6อาจารย์อันนี้อะไรนาสัญญาดีสัญญาเขคือนิติการเอกสารสัญญาดีเงินเราได้แน่นอนนี่เงินเซ็นปุ๊บได้ปั๊บ หรือว่าการสื่อสารดีเงินก็ได้แน่นอนที่เรียกพุทธได้เป็นปากนะพี่โยมพุทธได้เป็นปากเห็นไหมเพราะปากดีใช่ไหมเพราะสุกได้แก่ความอ่อนหวานได้แก่ความสวยงามเห็นไหมอันมนุษย์สุดตีที่ลงปากจะอดจากโหยหิวว่าชิวหานี่คือพุทธสุกเขาเรียนมาหมดแล้วนะแต่เรามารู้เราพุทธสุกนี่แหลที่เขาเรียกผู้สมบูรณ์ถ้าใครมีพุทธสุกผู้ใจ ก็บอกข้าเจ้าชูถ้าผู้หญิงก็าบอกแฟนเยอะเป็นเป็นปกติขางคนคนนั้นพุทธสุกอีกคู่จะดูเบากล้องมัวเมาเศษสมทุกส่วนสารไม่เอาก็สมัครเพราะว่าเป็นคิดอันนี้เรื่องจริงปกติเลยไปดูดวงไปดูของเราได้เลยเมื่อดาวหกกับสี่ตรงกันเนี่ยวันนั้นรักโทรศัพท์ไม่ไหวเอาไปดูกระดารูจอมดูกระดาษ นี่ต้องเนน่าียนต่อๆๆอันนี้จบนะมาดูดาวกุศลกุศลทําไมถึงว่าต่อที่ดีจบนะหลออันนี้กุศลผลดาวมีบุญดาบุญดาบอะไรเนี่ยบุญนะอันนี้บุญแต่ผลด้านให้คุณให้คุณอันนี้บาปเพราะหรืออกุศลบาปอภิญญากริยกลางกลาง เนี่ทำไมถึงกว่าสองี่หกเพราะกุศลทั้งหมดสามตัวท้ายถามว่ากุศลเนี่ยมันแสดงทุกวันไหมหมอยู่ที่เวลาไปเ่เหมือนกันตัดนิดกลางๆาเพื่กินสามเจ็ดแปดใช่ไหมเจ็ดนี่ใช่สามขยันเป็นนี่อาวุธสามอาวุธทิ่มแทงถูกต้ถ้าเป็นผู้ชายก็โอ้โหเนาะอาจารย์แปดโจนโจนมีอาวุธครบมือ โมหะแทะรกเนี่ยเราเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยวันแต่ละวันลาหูเป็นการกินีอาจารย์วันนี้เป็นยังไงนะดีต้องลา ห, หูเนี่ยจําไว้เลยนะะจับไว้เลยก็คือติอมานะาวินาศ ก, กา ร, รักินีลาหูลาหูที่อยู่ที่ดีไม่ได้เพราะมันเป็นโจรการักินีพืานที่ไม่ดีลาหูนั่นไมาอยู่เพราะฉะนั้นใครขับรถวันนี้ ที่เป็นสีดำเป็นกาลิกีนีเนี่ยดีดีถูกต้องเลยเพราะที่หงโจรซุ้มมะนาวอันเดิมโจร้าใจไหมที่ของโจรที่ของโจรมันเป็นเวลาของโจรโจรจะอยู่ในวันมาพูดใหม่ลาหูได้แก่ ค, ความทุกสิ่งนี้เกิดขึ้นฉับพลันทันทีจากไม่มีเป็นมี คือพริกดวด้วยไงลาหูเขาจึงไปบูชาราหูกันนะแต่ถ้าคนดวงตกอะก็ทําอะไรทำไมพระม่าเนี่ยถูกปรอกจริงจริม า, มาบนเมืองตะเภาน ใ, ในสมัยพระนเรศวรพระญาโหราธิปดีซึ่งเป็นอาจารย์ของพระมาหาของพระนเรศวรมารานมาเอาตัวไปเลยมาเอาตัวไปเลยนะฮะบรรทุกกันเลยก็ส่งสตายขึ้นมาก่อนแล้วก็มาเรียนเรียนทุกคนมาจากตัวของพระโหราธิปดีพร้อมตำลาไปคันก็ปัดตำราไป มันเป็นถูกนะไม่รานสับตับก็ผสมกันหมดเราเรียนรู้หมดแล้วแหละสาวยังไงในที่สุดไปตาราที่พระม่าได้ไปอะเพียนเนี่ยเพราะว่าจะมีหนึ่งสสี่ห้าหกเจ็ดเหมือนกันแต่ไม่มีคาวันคืน<ม>ไปดูได้เลยจะกี่คนอาชีพตะกี้ม้า ก, ก้าวหนึ่งเป็นบริวารอะไรก็ต้องเลียนบริวารหมดสังเกตได้ไ่ะปรากฏว่าปิดนะจะปล่อยให้เป็นอิสระไม่รู้ ไ, ม, ไม่ทําไมหมอดูประม่าบอก ขอเป็นที่ค่าต่อเป็นมาขึ้นต่ออีกสองปีซึ่งเพราะเสาเป็นวิน่าแล้วเสร็จแล้วตอนนั้นไปใช่ไหมปอญญาของเราที่พดีก็ว่าเลิกกลับมาได้กลับมาก็มาขอแลกตัววางเลิกแลกตัวพระสุพร ย, ยา ก, กับพระนเรศวรเอามากู้ชาติเพราะดูแล้วว่าพระนเรศวรกู้ชาติได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพม่าได้ไปตำนาพลิกดวงเีมีนั้นาราพลิกดวงพลิกตัวงนี่ใช้ต้นตไม้นะ อันนี้บอกกันเลยก็คือพริกชี้ฟ้าพริกขึ้นไปชี้ฟ้านะปาบอกว่ารู้ไหมเขาเอาพริกชี้ดินนะให้สามา่าไปบอกเนี่ยพริกชี้ฟ้าคุณไม่ดูพริกชี้ฟ้าไม่มีอันไหนพิกชี้ฟ้าแต่บอกว่าพริกชี้ฟ้าคือพริกขี่หนูเล็กอเลกนั่นแหละคือพริกขี้หนูพริกกระเทียมพมาปูกพริกชี้ฟ้ากันแหลกหมดต้นล้มในเมืองขึ้นเลยนี่ไม่ได้พูดเล่นเลยนี่คือประวัติของจริง ช่วยชี้ให้ดูหน่อยเราพลิกชี้ฟ้าเนี่ยมันมันมันที่ลงดินหลืที้ฟ้าชื่อมาชี้ฟ้าแม่แล้วทุกวันนี้พ่อาม่เราไม่ฟื้นเพราะฉะนั้นเวลาเราดออวงตกเขาต้องปลูกพริกเห็นไหม <c oughs> พริกขี้หนูเนี่ยกะคนไทยจะไม่กิ้งเลยไม่ก่อนก็ถึงไม่จน <P> อ่าเขาปลูกเราจะมีทุกบ้านพริกขี้หนูเนี่ยมีทุกบ้านไอ้เราก็มาทำถูกหลอกไงให้กินน้ำพริกกะปิอ่าแต่ไม่ใช่ อันนั้นจริงๆนะครับเขาไม่ให้ดวงเขาโตเป็น่ท้ายเลยต้องปลูกทิอะไรก็ได้มาชีขึ้นพี่หนูว่าละครออกิกสีครับทิศสีิสีนะที่เป็นเงินนั่นแหละที่เป็นเงินแต่พอออกทิก้ฟ้าเนี่ยเราจะเห็นภาพนะแล้วไปดูต้นจริงเนี่ยลงดินหมดเลยงงเล่ะแปลกไหมนั่นแหละนี่คือคนไทยเราท่าบอกโอ้โหเรื่องรักษาทางดินน่ะทุกกระเบียดเลย เนี้ยต้องรู้ไวเวลาดวงตกดวงอะไรเนี่ยช่วยเครับบอกก็เลยไปต้างให้เขาได้เรารู้ภูมิรู้ทิศเขาเขาไปทําให้ครับถูกคนนะมันมีขึ้นมีลงใช่ไหมไม่รู้เนี่ยโหแย่เลยฮะเนี่ยแต่ตรงนี้แค่ต้นไม้เนี่ยคนเป็นลมก็ยังมองต้นไม้เนลยมันเป็นมันเป็นอาบมหาปูตตุลูปเหมือนกันก็ฝากไว้รู้พลิกได้แก่อะไรอาทิตย์นะครับอาทิตย์ได้แก่สีแดงดนะอาทิตย์ได้แก่สีแดงถ้าพลิกนั้นหลายสี อ่ะคุณพคุณบอกผิดแล้วเมน่ี้เนี่ยพริกขี้หนูเท่านั้นที่จะสุดต่อไปสีแดงนะนั่นแหะสีแดงคืออาทิตย์พริกขี้หนูมําเผ็ดที่สุดของพริกทั้งหลายใช่ไหมความเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนคือลักษณะของรสชาติของอาทิตย์แราวก็เอาผงเหมือนกับังตัวนี้ก็ของเราเนี่ยเป็นที่กําเนิดภูมิเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนะสมัยพระจ่าอันจันสมัยโบราณ เป็นที่เกิดของอี้จิงที่เราเรียกว่าโป่อยเพราะว่าแปดกลับมันกมุ่นโป่อยกั บ, รก บ, กบกหรืออี้จิงอันเดียวกันเมือ่อเมื่อเมื่อกระทุกประการเรงการาใส่เห็นพิษลงไปเป็นหล่อแก่เมกกเื่อกระทุกอย่างก็ธาเลนธาทั้งนั้นการปรับอี้อี้จริงก็คือการปรับธาให้สมดุลถ้าคุณรู้วันเนี้คุณก็คืออาจารย์อี้จิงนั่นเองอะเมื่อเอกไงผ ง, งจุ้ยเป็นไงโจมไหมลนะ่ะนะว่านะพอโจมไหมลน่ะนั่นอะ่ะ ฟงจุย้ยอย่างเงี้ยได้ทั้งจุ้ยนะ้ทั้งฟงเลยนี่นี่คือความจริงที่เรามาคุยกันไงเราก็ย่อมาเป็นห้องก็แต่ละถูกต้องแั้กระทั่ตรงเนี้ยคุณนั่งมุมไหนตอนเนี้ยเพราะว่าประพูดเพราะงั้เราจะรู้เลยว่าคนนั้นเดี๋ยวจะพูดอะไรในที่ประชุมเพราะเรากลากระบาดลงไปแล้วเป็นช่องๆ่อ้อง ช, อ ง, ชองเราก็จะรู้เลยว่าไอ้คนนี้เรื่องนี้คนนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวตอนนี้คนนี้คุยกังนี้ประธานอยู่แจุดไหนฮะ พอนั่นปั๊อีก10แนทีเราไปตาห้องน้ำเกะก่อนเพื่อให้ภูมิันย้ายอ่ามันจะข้าแล้วเนี่ยเราย้ายเราก็ไม่พูดแค่ตอน10แบงคนาทีะพอถึงเวลาราที่ราพระอาตรงตัวที่เป็นสีมาถึงพูดแล้วไม่ได้ตามพูดท่สั้นก็ได้ลึกไปไม่ได้แง่นั่นมุมเดียวกันขอไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ที่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรรู้หมฮะเพราะคุณไม่ได้คุณไป มันมันมันไม่มีสิทธิ์เป็นไปได้นอกจากนั่งตากได้ไม่หรอสองสี่ได้่ใส้าข้าสิงตคิดเล่นอย่างี้อยกบริษอางเี้ะห้องปูชุมมีหลายห้องใช่คะแล้วสมมติว่าถ้าเราจะดูว่าโอเคเราควรจะหันห้องในดูดูเป็นจัดห้อจุ้ยเนี่ยเป็น วันนั้นเนี่ยประชุมที่ต้องจัดเนี่ยเราจับแต่ห้องทั้งตึกว่าวันนี้ควรจะเข้าประชุมนี้หรือเอาแค่ห้องเนี่ยที่มีส่นจะเอาห้องนี้ห้องเดียว<อ>ไดาเอาที่คุณต้องการ<ม>ต้องการให้ประกาประชุมนั้นสําเร็จแล้วคุณเป็นคนพูดใช่ค่ะเรื่องเก่งมากก็่จำ<ห>เป็น<ห>ต้องปไปจัดอะไรเลยปล่อยแต่สำคัญของที่วางตะโ้นคุณวามันโ้นเนี่ยคุณวางเนี่ยจับมุมของคุณเลยคุณรู้ว่าตอนเนี้ยมันเป็นดาวอทิตย์ต้องเกิดวันนั้นนะวันนั้นเนี่ยดาวอทิตย์เนี่ยคือดาวความสําเร็จต้องใส่กระเป๋ไว้ก่อนยังไม่เอา ลอยไม่ไดมันมาปักปางตุ้มตุ้จกเปลี่ยนเลยเอาเขาเปลี่ยนนะมันเป็นสมมุตินะมันเป็นสมมตินะั่นกามันเป็นสมมุติที่เราพูดกันในเรื่องสมมุติไป่ใช่หนมิพานอยู่ในสมมุติปางตุ้มเปลี่ยนเลยนะได้ไหมล่ะบนตโต้เนี่ยเปลี่ยนกันเปลี่ยนเลยทุกทั้งหมดมาอยู่กับเรานี่เอาให้เกิดได้เป็นได้เนี่ยตรงนี้ต้างการวัตโต้เรานี่แหละวัตเวโต้ของเรานี่ แม่ก็ต้องโต๊ะทํางานเพราะเปลี่ยนได้จัดต้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บคุณๆุณดี๋ยเ่นีของคุณเป็นเป็นสีเด็กมานั่งนี่มานั่งที่ผู้จัดการที่ใช่เป็นั่งบุตรเทอเรื่อมันไม่ใช่คนไม่เข้าใจไปจัดโต๊ะทํางานพิษอาอย่างวันเนี้ยอะไรเป็นมดรีสีอะไรสีแดงอะสีแดงเนี่ยอยากีิการพูดตุ้มจบหน้าของสีแดงมากกว่าช้ก็จบแล้ว เราจบไม่ได้หน้าเวาน่ะบ้าจบแล้วนะเลยแล้วไปขออนุาตเป็นมนตรีตลอดใช่เรามีหน้าสั่งคือให้เป็นอะไรก็ได้ก็แค่นี้ง่ายเสร็จทำเป็นไหมก็ต้องเียเรารู้เวลาได้ป่ะเมื่อเช้ากี้พี่บอกว่าเอลขแปดแล้วก็เป็นไตรจีนีแล้วสีดําเนี่ยมันอยู่ในไตรจีนีได้ถูกต้องมันดีสําหรับใครวันนี้เราถึงคุยกันเรื่องลึกลับลึกๆ ได้ดีและเข้าใจแต่เมื่อวานบูรถึงลาหูไม่รู้เรื่องเลยต้องเลยเห็นไหมครับเพราะเ่อวานอาทิตย์วันดับปัญญาราหูไม่ได้อยู่กับที่นี่ไอตัวที่มันเป็นปัญญามันอยู่กับทินี่ปัญญามันไฟมันต้องสว่างแต่มันอยู่ในจุดดับไอราหูนั่นมันมืดอยู่แล้วยิ่งมืดยิ่งดีมันเพิ่มกําลังลาหูเพราะราหูเครื่องหมายขอความมืด ที่เมื่อไหร่ก็ตามการที่ีตรงกับแปะก็หมายถาว่าเราควรใสร่สีดำมากนะกว่าลเลยลาหคูคือความฟลุก๊กถ้าเรื่องฟุ๊กเนี่ยต้องเล็กแปะเพราะฉะนั้นไห้รู้เลยลาหูคือสีดำเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมว่าฝรั่งเนี่ยดาราเนี่ยเพราะเขาไม่ใช่เขาไม่เรียนนะเขาเรียนมากทีเดียวแต่เขาเรียนมันมีขีดจากัดของเขาถ้าแก้ได้ละชุดของฝรั่งจะเบสกับดาทั้งนั้น เพราะอะไรเพราะเขาตรงข้างกับเราไงเยาตอนออกเขาตอนตกเราพระเขาผีเรามีวันพระก็มีวันผีฮารวีนใช่ใเรานับถือพระเขานับถือพี่ไถ่โหงชัดเจนอันนี้เื่องจริงมันตงข้างกันเลยเขาจะถือพวกของมืดทั้งนั้นของสว่างเขาไม่ถือเพราะนั้นเขาจะไปทางราหูล้วนนะเอ็นเตทนความหงไหลเป็นธุรกิจน่ะเป็นธุรกิจเลยน่ะขายเงา ใชมไม่ตอบไหมเพราะนั้นเขาได้ใช้สีดำเป็นหลักนะลาเก้าริบเก้าสิเก้าเก้าดำแล้วเราจะเล่นหุ้นให้ชนะี่เราต้องสีอะไรเล่นหุ่นให้ชนะเล่นหุ้นคือการปล้นเล่นหุ้นคือการปล้นการฉกฉวยการเก็บพันฉับไวล่าหัวลาหัวหาล้าหัวจด ดาวโจนไม่มีดาวโจนปล้นอแล้วแดนัดแดดไม่นัดใจอ้าวไม่ได้พูดเล่นดาคัเี้ยนขาี้ใั้นี้เนี่ยันแดกวันเนี้ย ก็ต้องเปิดเขาเนี่ดีเพราะว่าเป็นพวกเกี่ยวอะไรนแล้วเวลานั้นต้องราหูเบกอทินิงอ่าแล้วอีกราหูอีกตัวมันเป็นสีก็เลยราหูสาชั้นมันต้องวาน่อนขัเปิดบาร์วันนี้ไฟเลเซอร์เคยแล้ววันนี้พ่วันนี้เกกัหายเลยนั่งเนี้ยต้องเป็นวันนี้อย่างไรอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยสมมติว่าเราจะฟรีเซนหรือโปรโมทดนตรีดาราวันเนี้ยดีที่สุดมัาสมบูรณ์มนกระตุ้นกระตุ้นไออาวิชาใช่ กระตุ้นกัรหากระตุ้นเอาวิชาเพราะฉนั้นเมื่อรดยดาวสุกเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอันตรายมากเพื่อดาวสุกเนี่ยเข้าไปอยู่กลาหูมันเหมือนกระถูก ม, มองมาอ่ะหลมไปเลยห้ามไม่เชื่อล้านไปเลยทุกรายเพราะนั้นไอ้ก็ผู้หญิงที่ต้องระวังก็คือผูอ้ชายก็เหมือนกันที่หลงอ่ะก็คือสุกเข้าอยู่สู่ราหูพวกติดดาวพนันก็คือสุกราหูอ่า ไอตัวของตัณหาเนี่ยตัณหาที่มาจากความอวิชชาความมืดอย่างเงี้ยตัณหาหน้ามืดนั่นแหละเกิดขึ้นได้ทุกเวลาด้วยที่มันขั้วปรจอน่นมันจะเป็นทุกผู้ทุกคนเป็นปกติเพราะฉะนั้นการทําการเอาตัวรอดของผู้หญิงนั่นที่พูดไอ้ผู้หญิงการเอาตัวรอดผู้หญิงเราก็จะรู้ใช่ไหมว่าดามจะโคจรมาเมื่อไหร่พราะจนเจนจะถึงปึกกลับบ้านโอ้โหอดรอดถ้าไม่นั้นคุณนันไม่รอดก็ไม่รู้คืาคำว่าจะเสียอยู่ ตรงนั้นน่มันพร้อมจะเสียเพราะมันหน้ามืดงมันลื่นตัวไงแล้วตัวเองก็ไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงเพราะมันเป็นาหูเจาจะรู้องแล้วก็ทไหยก็่ม่อใส่ดำขุดคุณใส่เงี้ยวันนี้ก็แงมากถูกต้องใช่ไหมฮะคนที่ศึกษาได้นี้นี้เียจะเ็เป็นหมาเลยเาละเาเป็การรักพี่นีนะอันนี้ที่พูดเพิงลึกก็เพราะว่าเป็นห่วง แล้วเราก็จะในบริเวณที่บุญก็พูดเนี่ยอย่างวันนี้ลาหูใช่ไหมตะลักกินีแล้วหกมันจะเป็นองค์พระเมื่อวานเกี่ยรนี่แปดไหมปดแปดสเพราะวันแปดแปดสี่เมื่อวันแปดแปดสี่วันนี้อะไรสามสองโมงคึ้นสองโมงคึ่งพระพูดเองพระพูดเองพระพูดเองครับเลยในขณะว่า อย่างเช่น8นะแล้ว6เข้ามาอย่างเงี้ย<ช>ที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ว่าเข้าขับพระบาทแล้วเรียบร้อยสังเกตอันนี้สมมติคุมกลางคืนมัน12ชั่วโมงใช่ไหมแต่แค่เนี้ยมันจะมีช่วงช่วงยามใหญ่ใช่ไหมที่ว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้ติดไม่ว่าการพัฒนจะดีต้นซับนั่นแหละคือมันหมดเลยนะแต่ในขณะที่8 6ก็จริงมันก็มีช่วงได้เหมือนกันมันมีทั้งได้ทั้งเสีย ทิบเป็ดนาทีก็จานกามาถึงก็อาจารย์เข้ามาปุ๊บผ่วงคือย้ามย่อยทิบเป็ดนาทีทิบเได้ได้แค่นั้รีบออกเลยอ่าใช่จาย์ถึงลาวหูไงได้เงินด้วยอ่เฉียวปัไปเลยปุ๊บไปปุ๊บไปคิดอันลางปุ๊บแล้วรีบออกทิบเป็นชิ้นออกเลยใส่เข้าไปที่หัวเข้าบ้านคือคือรู้แต่ไม่จำเป็นต้องลอง ออกให้ทำเลยเอับเอาไว่ได้นะโยมถ้าใครจะไปเวก้าจะรู้ไ่ไปเวก้านะฮะคุณได้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ออกตอนที่สอนที่ j เอก็มีเด็กอยากเดานอย่างนี้เราก็เล่นการผนันได้สิใชยแต่ที่ไหนมันดะไปด้วยกันรถไปหามาเลยสฟิงซจ่ายสูงสุดพี่จ่ายสูงสุดคือรูเล็ตสามสิบห้าต่อแทงเนี่ยห้าเหรียญเนี่ย หาตาแสนกว่าเหรียญ น, นะฮะถ้าตาไม่เอาขึ้นเลยเนยะแสนกว่าเหรียญระวางไปปุ๊บไม่ว่าเราวางไปเนี่ยลูก ม, มันวิ่งไปแล้วนะมันย้อนกลับมาออกที่เรามาแล้วชุดดําำลาหูมาเลยลายแว่นดำยิ้มไปเลยหนาวฮนะออกไฟข้างนอกรถประกรบให้ออกไปเลยตังก็ไม่ได้แถมยื่น้อยไปด้วยมันหนาว่าเป็นเครื่องคนไอทวีบุคนโท แล้วขึ้นลูกเราไว้อีกด้วยห้ามข้าวาตัตาตลอดไม่ตายก็ดีแล้วมันกระดาษ ม, มาส่งเลยอ่ะให้ออกนอกเขตนอะไม่ใช่ไม่รู้รู้ไง บ, บอกดีไม่รอไอ้เด็กมันไม่อยู่อ่ะหนีก่อนอะเราไม่ได้ไไดูว่าแต่รู้ห้าตาเท่านั้นแหะแสนเท่าไหไปปลายแสนเนี่ยสามีิบบาต่อศูนย์ศูย์นี่ออกเลยเราใส่แล้วรูปมันกระเด้งเราก็รูกมันกดเลยมด กระเดงกระเด้งไป แ, แ, แล้วกระเด้กลับเพราะว่าที่เราหมุนไม่ใช่มันป้องเต้นเช่นนะมันไม่ใช่หมายถึงว่าเราทําได้แล้วเราจะได้เงินนั้นแต่ให้รู้ว่ามันทําได้จริงทําไริจริงเพราะนั้นการพนันอ่ะโกงไม่ได้อย่าไปเล่นโกงม่ได้อย่าไปเล่นไม่เชิญใช้มือไปทำจบผขไม่เล่นเลยเขไม่ได้นทั้งหวยการพนันนี่ไม่อ่านเลยนี่ไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนดีไม่อามันไม่ดีประโยชน์แต่ไม่ใช่ม ไ, ม ไ, ไ, ไ, ม ไ, ไม่รู้รู้ แต่ไม่มีประโยชน์ใช่กเล่นหุ้นน่ะดีที่สุดจะไปเล่นลนหวยถ้าอยากจปเล่นหวยเราเก็บเงินหวยนะเก็บไปซแล้วไปฝากเขาซื้อหุ้นถ้าเราซื้อไม่ได้นะเพราะบางคนก็ไม่มีโอกาสจะซื้อได้ถึงมีจะตามก็เข้าไม่ได้มาหนูซื้อได้ขอได้เลยนั่นน่ะอย่ากนี้คอฝากเาลงไม่ลงนะเอเราดีเดกเด็กเด็นี่มีเงินห้นว่ายน้ให้แข็งล่ะอย่าไปไปโดนคลาดทะเลเลยบ้านแม่หนตกคนไเลยแต่ตามพระชายไปได้สิบวันจะไปบอกว่าไงมา ว่ายน้ำไม่แข็งกันจะโดดน้ากลางทะเลเนี่ยนะจะว่ายเข้าฝังทะเลน้ำดูใกล้แต่เวาว่ายมันไกลมันใหญ่ใหญ่หลงงาเป็นไแล้วตัดเตลเดียหลังจากเวลากินเตลเดียเนี่ยเสาทั้ดีท็กทูอยู่วันนั้นหมดอะไรไปที่ไหนเจ้าอ๋อดีแท็เนี่ยเขารู้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมแต่ก่อนไม่มีนะตอนนี้เฉพาะที่ฉันอยู่เนี่ยนะกลายเป็นสภาเทศบาลไปแล้วเป็นเทศบาลเมืองไปแล้ว ไม่ตอนแรกมันเป็นป่าปัจจุบันเป็นเทศบาลเลยแต่ที่อยู่ข้างในเนี่ยนะอยู่ติดตอำเภอไม่ได้เป็นนายกแต่ที่เราปรเป็นมีานนสาระส่งไปอะไรสร้างเสาไ อ, อ้ะไรนี่แทะมันไปตั้างไว้เพื่อดูงไงเวลาเราใช้แล้ันก็ดูข้อมูลหมด อ, ะอ่ะคือเราไปอยู่ที่ไหนที่นั่นมันก็จะบูมเองแต่เราเรารู้ที่น่านจะบูมในสึกจริงคุณปรับได้ให้เป็นได้ นะตอนนี้เอาต่อที่เดี๋ยวก็เป็นยาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก, กา ร, ราการการที่เราธุ m หากินเนี่ยทางธุรกิจเนี่ยเราตามก็เพื่อที่จะกาไรส ม, มุดแรกก็สุจริตแต่ไม่ได้หมายถึงว่าธุรกิจนั้นเนี่ยคนอื่นต้องเคยทํามาถ้าเขาทํามาแล้วเราไปทําเนี่ยเท่ากับเราโปรโมทให้เขานะหาตลาดให้เขานะธุรกิจที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมฮะให้เขาทาเบสฮะให้เขาทำตัวเบสแต่เราทำพาร์ท เต้นเขาทำรถเราทำอะไรใช่ขุดกินไหมล่ะมันไม่ได้ไปแข่งกับเขาด้วยเขาทั้งหมนีของเราอีกงหาหาช่องเสียของธุรกิจนั้นแล้วหาจุดเสริมให้เขาทำจุดที่เสริมขายให้เขาวิธีคุณไม่ต้องไปขายขายขายให้ลูกค้าเรานมะเราไม่ต้องหาลูกค้าด้วยจริงหรือไม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยเขาที่จะมาขอขอหุ้นกับเราทำได้ซ้ําอ่ะไม่ใช่แฟนชาย อะไรพอีอดีเขาเล่น้แอปพลคเดียวม่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอนันปั๊บเนี่ยถึงก้าวคุณไม่ต้องโฆษณาเมื่อไหร่ที่ต้องเปิดปั๊บมันจะต้องพ่วงเราไปอัตโนมัตินี่แหละก็เหมือนกับเหมือนกับแพ็เกจอะแต่เมื่อไหร่คุณก็อยู่ได้แล้วเขาก็เป็นแล้วคุณก็จะมีมีมิตรทางธุรกิจเองแล้วเขาทำมาอย่างนี้ทั้งนั้น ากที่ที่เราทำล้วก็ไปประมูลนะไปเอาเค่องไอ้พวกเก้าอี้ที่ซิเนเตอร์มันใช้แล้วเพราะบางทียังไม่ได้แกะดาดนะแต่งบประมาณจะเอาทุกสามเดือนตัวหนึ่งยี่สิบเหียญเอาไปขายแถวอเมริกาตัวหนึ่งสี่ห้าพันจริงๆเพราะางบมันต้องใช้่ไงงบมันมันต้องใช้แต่ของเก่ามันยังมาเอามาเนี่ยไอโกอฟฟิตทั้งหลายนอนิกไอไม่หมดพ้มเพิมอกนแก็เอาคร่องน แต่่นี้กก็เก่าก่อนยังไม่ได้นั่นไงก็สต๊อกมันเท่าแล็บอ่ะอเมริกาเนี่ยกระโโตกนะแต่ก่อนก็รู้อยู่สี่รอยห้าสิบแป้งไม่มีเหลือเลยอ่ะพูดนะไม่ต้องพูดถึงเลยแต่ก่อนใ่มะสมมติเรามีหลักสูตรเนี้ยเราไม่ต้องไปเล่นตัวปอตถอดเลยก็ได้เราเล่นเซตไล่เดย์ได้ไหมคะได้เพราะว่าเซ็ตที่มันขึ้นเร็วกว่ามันไม่มีเสียงถูกถูกต้องแล้วใช่ไหมคะใช่ แต่มันอยู่ที่ว่าคุณอยู่ภูเขาตรงไหนไอ้ที <c <c ่พูดอ่ะใช่ไหมล่ะไอ้ที่พูดอย่างเงี้ยคุณอยู่ยอดเขาคุณก็พูดได้ใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ทุกคนจะทําได้ไงก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในในสเกลชั้นไหนไม่จํากัดเราก็จะเป็นตัวไหนตกปลาน่ะตาหาสมบูรก็ได้ลิมาห์ก็ได้มันอยู่ที่ปลาตัวเล็กตัวใหญ่น่ะแล้วคุณจะขาวแมเสี่ยงผมอ้าวแล้วผมกินข้าวแม่เสียง การเต e ้นข้างไม่หรอพี่คุนะเฮ้ยมะสร้างเลยคุณเอ้ยเงินน่ยอยู่ที่อารมณ์ทุกคนเวลามีอารมณ์โกรธกันน่ะเงินห้าหมมืล้านแต่ถึงเงินเนี่ยไม่ได้ตัวสาคัญของคนเลยน่ะแต่อารมณ์ทุกคนน่ะสำคัญเพราะฉะนั้นหุ้นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจับตัวอารมณ์ของคนเนี่ยได้คุณก็วินทุกธุรกิจไม่จต่พอทุนโปเกอร์ก็ได้ได้สายเส้นที่ยางของอินเทอร์เนชัใช่ไหมแล้วก็ขายมูสฟันได้ แลดีมูด <specialized> ซ <strong> ึฟันเป็นตัวที่ซอริที่สุด่ะคนคนทายที่ต้อนิยมอ่ะเขาไม่รู้จักรู้ว่ากดจิ้มใหม่ดีไหมจะได้แบบคุ้มเนี่ยแล้วรู้มาธุรกิจอะไรที่รวยที่สุดธุรกิจที่รวยที่สุดในโลกลงทุนน้อยสุดเือกิตอะไรคุณรู้คุณอยู่เนีในแวดวงนี้คุณจัดชื่อหน้าคุณเองมีความรู้จริงผมไม่ดูและโดยเฉพาะอย่างที่นี่ ตักเลขกขาอะไรนะฟันทงอะไรแลเดี๋ยวไปพูดถึงเขงเลยเราอยู่ในวงการด้วยถูกป่ะคุณจะเล่นพูกก็ผ่านเราอยู่ดีนี่กินทั้งหัวทั้งท้ายแถมจมัดสัมมนาหาขามาซื้อไม่บก อ, อกนะคือเขายังไม่ทันทําเป็นอ่ะนะยังไม่ทันซื้อเป็นเนี่ยเขาหาซื้อเราก็ได้อยู่ครับหนูคิดเหมือนกันแต่หนูนว่าเรงมาแหกของเราเองเ่อันนั้นส่วนนึงแต่ทำไมเัาไม่ทําบุญอน่ะ ก็ทำบุญด้วยไม่ใช่ทำบุญเอาอะไรมะเอาให้คนอเขสอนเขาไงสอนเนี่ยวิชาอย่างเงี้ยนะแต่ไม่สอนจรินะรู้รู้ทำได้ไหมคะอาจารย์ันมีอะไรที่ทำไม่ได้จะเริ่มเมืไหร่เดี๋ยวนี้เลยค่ะที่ที่นั้นที่เราตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นี่ก็เพื่อที่จะให้และเมื่อคุณทำอย่างนี้ได้ใช่ไมฮะแเลียงลใช่ไหมเลียงละ แต่ที่จริงถ้าปฏิบัติได้เยอะกว่านั้นนึกออกไหมฮะก็เหมือนกับที่พระองค์สอนพาเพ็อกกระโหลกอะพ็อกพ็อกพ็อกพ็อก็ อ, อ, อไปถึงบปรานญ์อะไม่รู้อะเหมือนกันเลยคุณต้องมาเรียนมาศึกษาแล้วคุณก็ปฏิบัติจะได้รู้อะไอ้ที่จริงรวยเนี่ยไม่ยากรวยเนี่ยมันไม่ยากเลยแต่คุณต้องปฏิบัติประกอบเพื่อตัดตอนให้เห็นว่าตัดตอนไปว่า การรวยเนะี่ยมันไม่ยากแต่รักษาความรวยให้คงอยู่ยากต้องปฏิบัติเท่านั้นจริงๆด้วยนะไม่ได้พูดเล่นนะ่ะถ้าคุณไม่มีบุญเนี่ยทำร้ายตัวหวยนี่นะี่จริงนะนกวกกก็บันรวยน่าไม่ยากแต่ว่ารักษาความรวยต้องรักษาด้วยบุญเนะี่ยไม่มีบุญนี้เมื่อไหร่ก็หมดไอ้ที่ก็หมดบางคนมีไม่มีโอกาสากใช้่ไหมมีเงินเป็นแสนล้าน บินไปบินมาพ่อนไปพ่ น, น, น, ม น, นมาหาที่ลงไม่ได้เขาไม่ได้ทําอย่างเง้ยมันก็มองรูปตามกันอยู่นั่นแหละมีแต่หยาดยิ้มอะไรแต่ไม่ใช่เนยบุญไม่มีไงเพราก็ไม่ได้ปฏิบัติจริงๆริไงนี่น่าสงสารมากนะไม่มีซะเลยอย่างดีรู้ตัวเองไม่มีอันนี้รู้ตัวเองว่ามีแต่ไม่มีโอกาสได้ใช้เ น, น, นี่ยมีบ้านหลังี่เก้าพี่ใหญ่สราคขาอะไรเองโอ้โหหัวตายเลยพอเราบอกมาว่าอีร้อยปีนี้ได้ใช้เงิน รู้ยัไอ้ขาเรื่องีคร่าเมียคนดูท้องยังขายผักมิสลาลเลยยังเขียนว่าเขียนทำละมีเห้าพันกว่าแล้วโอ้โหพ่อเมียนะแล้วทุกคนก็ลงัวกเลยฮะแก้แก้ที่ใชกรรมเดี๋ยวได้ใช้ปากกันแต่ยัายมาจับได้ว่ารวมรวงบวกให้ข้าบวกเองแล้วก็่เขต้องท้ากูก็ท้ากูกก็ท้ากูกูก็้าสูก้ากูกูากูกูก็ทากูกูก็ากูกูก็ท้ากูกูก็ทกูกู้ากก็ท้ากู้าากูกูกาก ถ้าเขาปฏิบัติไม่ได้มากกว่านั้นอีกอันนี้เรพูดกระจงไปตรมาแล้วเรื่องจริงตัวอย่างก็มีเพราะะพอเราก็ามาถึงในจุดหนึ่งแล้วมันจะเกิดการอิ่มตัวตัวคือพอใจอ่หยุดมันไม่ได้เบ็นพอใจคือพอใจะเราก็จะกินอ้าใช่ไหมเมื่อเาลาเนี่ยมันจะก้าไปเองเพราะนั้นจะเห็นว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จในโลกแทบจะเก้าสิเก้าปเซ็นต์ไม่ว่าจะไอสตีนหรือว่าพวกอ่ากษัตริย์ต่างๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะปฏิบัติหมดเพราะมันถึงจุดอิ่มตัวจริงๆ แต่เราไม่มีอ่ะมันจะอิ่มไงต้องอิมท้องก่อนอิมตัวบางทีหลังเพราะนั้นต้องให้รวยก่อนไงถึองนั้นหมดหนี้ก่อนเพราะนั้นปฏิบัติเนี่ยข่อทั้งหลายก็ต้องหมดหนี้หมดทุกอะทุกโทมันัตเนี่ยก็คือทุกเรื่องหนี้สินต้องหมดหมดแล้วก็ต้อง